ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณาผัวทิลักษ์เรื่องความสวยงามของการเมืองที่มีธรรมะเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2549ณนะเวทีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลตอนที่14 ขอเชิญท่านติดตามและฟังได้นบัดนี้ ในรายการนี้ก็เราก็เป็นการพูดคุยทั้งในลักษณะของเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่มันเกิดอยู่ซึ่งก็แน่ละอาตมาเป็นสมณะเป็นนักบวชนะเพราะฉะนั้นคาตอบหรือว่าคำบรรยายต่างๆก็จะต้องเป็นไปในทางธรรมเป็นสําคัญเพราะคาตอบหรือว่าคาบรรยายทุกที ที่มาเทศที่มาบรรยายอยู่ที่นี่นะหรือที่ไหนก็แล้วแต่เถอะอาตมาก็บรรยายไปก็พยายามบรรยายให้มันเป็นธรรมะทั้งนั้นแหละเพราะอะไรอะไรมันก็ไม่ดีไปกว่าธรรมะนะแต่คนเรานั้นทุกวันนี้นี่เผลนฟังคาว่าธรรมะก็เข้าใจคำว่าธรรมะหมายถึงอะไรโดย ร, มรวมๆก็พอเข้าใจทั้งนั้นแต่ไม่มีความจริงจังไม่มีความจริงใจเพราะ ไม่เห็นว่าคาว่าธรรมะหรือโดยเนื้อแท้ของธรรมะนั้นเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตเขาไปเห็นเรื่องของโลกโลกที่เป็นความสุขโลกโลกเป็นเรื่องโลกีสามันทั้งหลายแลแจ่งลาบกันได้ลาบกันได้ยศได้สันเรินโดงดังเด่นได้ อะไรมาเสพทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามาคุณห้าได้เสพสมใจในการได้บำเบอใจตัวเองใจเรามีอุปทานมีความยึดถือมีความต้องการอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรถ้าได้มาสมใจก็สุขก็เป็นโลกธรรมสามมันของมนุษย์ในโลกอาตมาพูดไปแล้วเนี่ยคนที่ยังไม่ทราบซึ้งในเรื่องของธรรมะ คือไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตชีวิตเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเขาไม่เข้าใจถึงความประเสริฐหรือว่าความเป็นชีวิตที่ดีที่มีคุณค่าเขาเป็นแต่เพียงเกิดมาก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเกิดมาก็มากินสูบดื่มเสพแล้วก็ผสมพันธุ์ชาติหนึ่งก็ตายไปคือไม่มีค่าไม่มีคุณอะไรหรอก กินสูบดื่มเสพไปยังชีวิตไปให้มันอยู่รอดแล้วก็มีกิเลสติดใจมีกิเลสติดอะไรก็สแสวงหาแย่งชิงกันเสร็จแล้วก็สืบพันธุ์เสร็จแล้วก็แก่ก็ตายหรือตายยังไม่ทันแก่ก็แล้วแต่จบชีวิตไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งหน้าเสียดายที่เกิดมาแล้วก็เท่านั้นเองเวียนวนเวียนวนชาติแล้วชาติเล่าว่าได้เกิดมาเป็นคนบ้างก็ยังดีแต่คนก็มามีชีวิตอยู่แบบ สัตเดรัจฉานทั้งหลายคือเกิดมาแล้วก็ไม่ได้ทําประโยชน์คุณค่าอะไรที่จะเป็นกุศลหรือเป็นสิ่งที่ดีพอที่จะเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดชีวิตนี้พัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งจะเป็นสิ่งหนึ่งของโลกมนุษย์ในรูปสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งของโลกที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมอย่างมากต่อดินน้ำลมไฟแม้แต่สัตว์โลกพืชพันธุยาหารสัตว์โลกกาตามจะเป็นประโยชน์ต่อเขา เพราะมีจิตวิญญาณมีภูมิปัญญายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานยิ่งกว่าพืชยิ่งกว่าชีวะยิ่งกว่าดินน้ำลมไฟแต่คนก็เกิดมาเสียชาติเกิดไม่ได้มีคุณค่าดังที่กล่าวนี้เกิดมาแล้วก็เหมือนเดรัจฉานกินสูบดื่มเศษสือพันแล้วก็ตายเพราะญะ น, นัชีวิตของคนที่เกิดมาไม่ได้มีคุณค่าอะไรเกินกว่าความเป็นคน ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเกินกับความเป็นเดรัจฉานคนที่เกิดมาได้ร่างกายเป็นเดรัจฉานนั้นในชาติที่เขาเกิดมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรในความเป็นคนที่จะเป็นกุศลใส่ชีวิตเป็นวิบากไปคนคนนั้นบอกได้ชัดๆเลยว่าไม่ได้เกิดมาเป็นคนหรือเกิเป็นมนุษย์อีกจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดตกต่ําไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์อะไรต่ออะไรอีกแล้วแต่กรรมที่ตัวเองทําในชีวิตเป็นคน ที่ทำในชีวิตเป็นคนนั่นก็คือทำกรรมที่เป็นบาปทากรรมที่เป็นหนี้ทำกรรมที่เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นเป็นคนที่เบียดเบียนอย่างน้อยก็กินเนื้อสัตว์ก็เบียดเบียนสัตว์ละแต่ไม่ได้ทำคุณค่าประโยชน์อะไรหรอกที่ไปการช่วยเหลือเกื้อกูลเสียสละซึ่งในคำว่าเสียสละนั้นก็คือเสียเปลี่ยน แต่คำว่าเสียเปรียบนั้นคือการเสียโดยที่เราถูกเขาหลอกถูกเสียท่าเสียเปรียบเพราะรู้รู้ไม่ทันเขาก็เลยเรียกว่าเสียเปรียบแต่ผู้ที่เสียสละนั้นรู้ทั้งรู้ว่าเราไป็ผู้เสียเป็นผู้สละเป็นผู้ให้เขาเป็นไม่ใช่เป็นผู้ได้เปรียบชัดๆก็คือเป็นผู้ไม่ได้เปรียบเป็นผู้เสียเปรียบให้จะเป็นทานก็ดีเป็นตั้งจะตั้งใจให้ทานก็ดีหรือตั้งใจให้ก็ตามอ หรือไม่ตั้งใจให้แต่มันก็ถึงโอกาสถึงเวลาก็เป็นผู้ได้ให้ผู้ได้ให้อย่างนั้นแหละโดยที่ใจไม่หวงแหนใจเป็นเป็นการสละเป็นการบริจาคเต็มใจคนนั้นก็เป็นคุณค่ายิ่งตั้งใจให้เลยสร้างมากๆแล้วเราก็เป็นผู้จีแจกจ่ายจีวจารคนอื่นก็ยิ่งจะเป็นคุณค่าประโยชน์ที่แท้จริงแต่คนเราทุกวันนี้ในระบบทุนนิยม อาตมาไม่ค่ยได้เทศเรื่องนี้ในในคราวนี้ขอเทศวันนี้นิดหน่อยอาจจะเป็นการตั้งเขาขึ้นไปให้ดรนรง์สักถามก็ได้คือระบบทุนนิยมนี่เป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดฟังจะชันะทุนนิยมนะทอทหารสรุนนนูอาตมาก็เห็นว่ามันมันเป็นระบบที่เลวร้ายวิธีคิดของทุนนิยมนี่คือคิดโดยบวกเอาเกินทุนถือว่าเป็น สุจริตยุติธรรมซึ่งระบบคิดแบบนี้แหละเป็นระบบที่เลวร้ายมีอีกระบบหนึ่งก็คือระบบที่ธรรมะเข้าใจความจริงขึ้นมาจะมาเรียกว่าระบบนี้คือระบบบุญนิยมบุญนบ่อใบไม้นะสระอุยอยิงบุญนิยมไม่ใช่ทุนนิยมนะระบบบุญนิยมนั้นคิดตรงเงินข้ามกันในการบวกเกินทุนนั้นเป็นบาป แต่ถ้าการให้คนอื่นหรือขายไปในราคาต่ํากว่าทุนนั้นเป็นบุญเป็นกําไรบุญนิยมถือว่าขายต่ํากว่าทุนเป็นกําไรส่วนทุนนิยมนั้นถือว่าขายเกินทุนเรียกว่ากําไรเนี่ยมันคนละทางเลยเพราะฉะนั้นชาวบุญนิยมจะขายต่ํากว่าทุนได้มากเท่าไหร่ก็คือได้กําไรมากเท่านั้นส่วนชาวทุนนิยม น, นั้นขายได้เกินทุนมากเท่าไหร่ก็ ถ, ญญญถือว่ากําไรเท่านั้น จะ ก, กำไรกี่เท่ากี่เท่าก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเอาเปรียบเขาเลยถือว่าตัวเองยุติธรรมสุดจริตเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้จึงเป็นแนวคิดที่คนฉลาดคนที่มีวิธีการที่จะเอาเปรียบคนได้จึงคิดหาวิธีการและใช้ความฉลาดนั้นเอาเปรียบเขาให้ได้จนเขาจำนวนแล้วเขาก็จะต้องจําเป็นต้องจ่ายให้แก่เจ้าของ ผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ะจะต้องซื้อขายว่างั้นเถอะแล้วก็จำนวนที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายมากที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถที่จะเอาเปรียบได้ลทัทธินี้เป็นลัทธิที่ทุกคนก็ต้องฝึกปรือความฉลาดฝึกปรือวิธีการหาช่องทางทุกชั้นเชิงที่จะเอาเปรียบให้ได้มากที่สุด มากเท่าไรซับซ้อนเท่าไรทบซ้อนเท่าไหร่ทับซ้อนเท่าไร่กลบซ้อนเท่าไรเขาก็ทำดังที่ผู้ฉลาดที่กระทำกันอยู่ในโลกที่เป็นตัวอย่างจะเลี่ยงจะมีกฎมีหลักเกณฑ์อะไรเลี่ยงได้ลบได้เลี่ยงลดลบลดเพื่อที่จะได้เปรียบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้การเจตนาเอาเปรียบเขานั้นเป็นบาปนี่สัจธรรมใครอยากจะแยง้งก็แยงอัตมาไม่เถียง การเจตนาเอาเปรียบผู้อื่นเป็นบาปใครจะเถียงก็ตามใจอาตมาไม่เถียงด้วยอาตมาจบแค่พูดแค่นี้แหละเพราะฉนั้นคนที่พยายามหาทางเอาเปรียบเขานั้นคือคนเดินทางไปหาบาปทุกคนเมื่อทําสําเร็จก็ได้บาปมาเลยทําสําเร็จมากเท่าไรได้เปรียบมากเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งบาปมากเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนี่เป็นสัจธรรมแห่งกรรม คนเราทุกวันนี้ไม่ได้เข้าใจเช่นนี้ไม่เคยคิดเช่นนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อด้วยว่าเป็นบาปบาปคืออะไรก็ไม่เข้าใจและก็ไม่เชื่อบาปเชื่อกรรมอะไรสังคมจึงเลวร้ายและโดยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องกรรมเรื่องวิบากกรรมวิสัทธกรรมสัทธาวิปากษัตริกรร ม, รรมวสรรมสิสัทธาสัทธาตถาคตโพธิสัทธาคือการศรัทธาในกรรมในวิบาก ทีพุทธิยาชนตรัสรู้กรรมเป็นของของตนและกรรมนี่แหละเป็นทายาทของเราเองเราจะต้องรับมรดกกรรมของเราเองไม่รับไม่ได้เราทําชั่วก็ต้องรับเป็นมรดกเราทําดีก็ต้องรับเป็นมรดกไม่ขาดหกตกหลนไม่ระเหยไม่ระเหิดกรรมทั้งหลายแหละเป็นของตนของตนไม่มีการขาดหกตกหลนไม่ระเหยไม่ระเหิดอไม่มีหายไปไหนะ แล้วก็ไปบวกลบคูณหารกันเองกรรมวิบากนี่เป็นอจินไตเป็นสิ่งที่คํานวณไม่ได้ด้วยคนว่ามันไปบวกลบคูณหารกันอย่างไรมันจึงเกิดผลออกมาให้เป็นผลแก่ตนเองได้รับทุกข์รับสุขได้รับวิบากต่างๆนานาเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากอย่างไรคิดไม่ได้เป็นอจินไตนแต่เป็นจริงแม้พระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายไม่ได้ละเอียดละอนะ่อนนัก ทังตั้งที่ท่านสุดยอดแห่งปาฏสุดยอดแห่งรู้ความจริงสูงสุดท่านก็ตรัสว่ายกไว้ให้เป็นอจินไตยกันแล้วกันกรรมมอวิบากรี้เป็นต้นนะนี่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมโลกทุกวันนี้ที่ทำให้เดือดร้อนกันอย่างมากเพระาะฉะนั้นผู้ใดศึกษาธรรมมาของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจดีจึงมาทำเหล็กของตนเองให้เป็นคนบุญนิยม เข้าอยู่ในระบบบุญนิยมคือเป็นคนที่จะต้องมาตั้งใจเสียสละเพราะการเสียสละนั้นเป็นบุญของเราเป็นทุนของเราเป็นทรัพย์ของเราถ้าได้เสียสละมันเป็นทรัพย์เอาเปลี่ยนก็เป็นทรัพย์แต่ว่าเป็นทรัพย์บาปเป็นทรัพย์ที่จะทรมาร์รกรรมนาเราเกิดไปในทางตกต่ําเสื่อมร้ายเลวแม้ปัจจุบันนี้ก็เห็นลักษณะของความโลภ ก็ทำให้ตนเองเสื่อมตนเองเสียหายอะไรได้ชัดๆถนัดตาเห็นได้แม้จะไม่ออกฤทธิ์แต่อันบางอันบางอย่างออกฤทธิ์ทันตาเห็นในชาตินี้สี่พระพุทธเจ้กาก็ตรัสไปเหมือนกันว่ากรรมที่ออกผลทันตาเห็นก็มีการที่กรรมที่ยังไม่ตามทันจะไปตามในชาติโน้นชาติหน้าอะไรก็มีหรือว่ากรรมตัดรอนอะไรต่างๆก็มีอะไรนี้เป็นต้นท่านก็ตัดซ้อนเอาไว้หมดว่ากรรมมันจะมีในลักษณะอะไรต่างๆเป็นต้นนะ เพราะงั้นในการไม่รู้จักกรรมของคนที่เป็นชาวพุทธแท้ๆนี่จะเป็นความเสื่อมจากความเป็นพุทธไปแล้วคนที่ไม่รู้จักกรรมแล้วก็ไม่สังวรเรื่องกรรมไม่พยายามภาคเพียรที่จะสร้างกุศลกรรมโดยความตั้งใจโดยเฉพาะยิ่งไม่ศึกษาไปถึงปรมาติตไปถึงขั้นที่เรียนรู้กิเลสในจิตของเราเองเป็นตัวประธาน เป็นตัวอำนาจใหญ่ที่มันบังคับให้เราทำชั่วทำบาปไม่ศึกษาเข้าไปพยายามอดทนเอากดข่มเอาเพื่อที่จะทำดีเข้าใจโดยสามันสำนึกสามันว่าอันไหนดีก็พยายามทำดีก็ยังดีพยายามพัฒนากรรมกา ย, ยกรรมว จ, จีกรรมมโนกรรมของตนเองให้เป็นกรรมที่เจริญเป็นกรรมที่เป็นกุศลอย่างนั้นก็ดีแต่ก็ไม่รู้รึกซึงและส่วนมากอาตมาขอกล่าวอย่างนี้ ส่วนมากของชาวพุทธ 95% ในเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแม้จะไม่ตราวไว้ในรัฐธรรมนูญว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธและอาตมา ก, ก็ไม่ไม่เห็นว่าจาเป็นอะไรที่จะต้องไปตราวไว้ว่าเป็นเมืองพุทธให้มาเกิดความกินแหนงแคลงใจกันในประชาชนคนไทยที่มีอิสระเสรีภาพเะนับถือาศาสนาใดๆก็ไ ด, ได้ตามรัฐธรรมนูญนั่นเองที่อนุญาตไวกาหนดไวบางคนไทยที่ย ศาสนาลทัทธิใดๆก็ได้เป็นอิสระเสรีภาพจึงไม่เห็นจะจําเป็นจะต้องไปตราไว้ว่าเมืองไทยคือเมืองพุทธเพราะจริงๆก็เป็นพุทธศาสนิกชนกันตั้งเกแล้วไม่จ้องเปตราทําไมเพื่อนชาวพุทธก็ตั้งเยอะตั้งแยะอยู่แล้วมันก็เป็นของจริงเป็นเนื้ออยู่แล้วแต่อยากได้เหลือเกินก็แย่งกันไปชิงกันไปเทียงกันไป <c oughs> ก็เป็นไม่รายอาตมาไม่เทียงด้วยหรอกใครอยากจะเอาก็เอ า, เอาจากจดก็จดไปจ ด, ไปจดก็แล้วไปไม่หวาดกัน แต่โดยแท้แล้วแม่จะเป็นพุทธศาสนิกชนโดยสม โ, มโนโครัวโดยตระกูลสืบทอดกันมากี่ตระกูลกี่ตระกูลก็ตามกี่ชั้นก็ตามเสร็จแล้วมาชีวิตนี้เราก็ว่าเราเป็นพุทธแต่เราไม่ได้อะไรที่เป็นประโยชน์คุณค่าจากพุทธธรรมเลยไม่เคยสังวรตัวเองแม้แต่ศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่เคยสังวรฆ่าดะ จะฆ่าเล่นฆ่าหัวฆ่ากินฆ่าอยู่ฆ่ามาทําอะไรก็ตามใจฆ่าเพราะโกรธเพราะเคืองฆ่าเพราะโลภฆ่าเพราะแค้นฆ่าเพราะสนุกสนานฆ่าเพราะระเริงอะไรก็ตามแต่ฆ่าไม่ได้เคยคิดเคยกังวลเคยคิดเป็นบาปเป็นบุญอะไรเลยทั้งโดยสัจธรรมนั้นถ้าเราไปฆ่าสัตว์มันก็บาปทางนั้นตบยุงตัวหนึ่งมันก็บาปแต่ก็ไม่เคยสังวรไม่เคยรู้ว่ามันเป็นทรัพย์ของเรามันเป็นกรรมเป็นวิบากของเราเพราะไม่ศึกษาสัจธรรมของ ศา ส, สนาพุทธทั้งๆติดชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนอันนี้แหละอาตมาพูดแล้วก็แม่ไม่รู้จะว่าไงถ้าคนไทยเราเนี่นะสังวรสำรวมระลึกบัศีลท่านกําหนดพื้นฐานเอาไว้ว่าศีสินห้านี่นะสังวรสำรวมจริงๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขี่โกงเข้าไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของที่ไม่ใช่ของเราหนาฐานหน้าที่เป็นขโมยหรือยิ่งไม่พยายามที่จะเอาเปรียบเขาให้ได้ในศีลก็สองนี่แหละและสังคมมันจะสุก ข, ขนาดไหน ตัวเองก็ไม่ต้องมีบาปไม่มีหนี้มีกรรมอะไรสินข้อสามข้สี่ก็อห้าข้อห้าบอกว่าไม่กินเหล้าก็เป็นศีลนะแต่ก็กินกันไปเนี่ยไม่เคยคิดว่าเป็นบาปเป็นบุญอะไรข่าสัตว์บาปชั้นใดกินเหล้าก็บาปชั้นนั้นนะ่ะกินกลอกเข้าไปในขอก็บาปแล้วแต่ไม่เคยนึกว่ามันจะบาปอะไรของกินเหล้าเฉยๆอย่าง น, นี้เป็นต้นความลึกซึ้งของธรรมนั้นอธิบายยากมาก อธิบายยากมากทําไมกินเหล้าแข่นั้นต้องบาปบาปจริงๆแต่คนก็ไม่เคยคิดไม่เคยสังวรไม่เคยศึกษาและไม่คิดจะเลิกไม่เลิกแบบนี้ก็ไม่รู้จะเป็นพุทธไปทาไมเพราะว่าไม่ไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เชื่อไม่เชื่อความความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เคยเอาคาสั่งคำสอนมาปฏิบัติประพฤติให้ตนเองนี้เจริญพัฒนาขึ้น มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการเป็นพุทธแต่ละชาติแต่ละชาติเกิดมาเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นพุทธแล้วก็เป็นพุทธไปแต่ไม่ได้สังวรสํารวมไม่เรียนรู้ด้วยศีลห้ายังไม่รู้เลยยังมีเลยศีลห้ามีอะไรบ้างไม่รู้อศีลห้ามีอะไรไม่รู้พ่อไม่สอนแม่ไม่สอนมาเราก็เลยไม่รู้ด้วยครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนก็เลยไม่รู้บางคนนบวชบวชนะ ผ่นบวชมาสมเดือนแต่เสร็จแล้วก็ศีลห้อประศึกมาแล้วศีลหน้าก็ก็ไม่มีปกตอิอาจจะส่องวอนบ้างในตอนบวชเรียนมาด้วยนะแต่บวชก็ต้องให้รู้ในศะีลหนะ้าแม้บวชทั้งทีสมเดือนไม่รู้ศีลหเลยนะอ่ะมาว่าโอ้ตายตาตายตา ย, ตา ย, ตายะจะเป็นคนอย่างไรเนาะแต่ก็รู้แน่นอนอนะรู้แต่แต่ไม่เคยไม่เคยคิดว่าอันนี้เป็นคุณค่าของชีวิต เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติประพฤติเพื่อสั่งสมเป็นทรัพย์อาตมาก็ขอนะสรุปตรงนี้ก่อนที่จะให้ดรนรงได้ถามอะไรต่อไรคนเรานี่มีทรัพย์ติดตัวไปพูดซ้ำพูดซ่าเหมือนแพลเสียงตรองคนเราอาตมาก็ยกด้านบาปด้านนี่มันจะชัดเจนคุณไปปล้นมาคุณไปโกงมาคุณไปเอาเปรียบเอารัดมาคุณไปทากิจการอะไรแบบทุนนิยมเนี่ย แ, แล้วก็ได้เปรียบมานี่แหละ ได้เปรียบในบาปได้เปรียบออกมาอย่างใช้ชั้นเชิงใช้การหลอกล่อใช้วิธีการอะไรจิตวิทยาอะไรก็ตามใจเถอะมันก็เป็นกรรมทั้งนั้นแหละการคิดใช้จิตวิทยาใช้ชั้นเชิงเนี่ยถ้าชั้นเชิงที่มันเป็นเล่ห์เป็นกลเอาเปรียบวรรษเขามันก็บาปอยู่ในตัวทั้งนั้นแหละในรา ย, รายละเอียดของสัจธรรมไม่มีใครไปไเดี่ยวไปคดโกงในสัจธรรมหรอกเอารสรุปคุณไปโกงมาได้เป็นแสนล้านคุณตายไปกอดไว้เลยไม่กระเด็นไปไหนเลยเนี่ย แสนล้านนั่นมันก็ไม่ใช่ทรัพย์ของคุณพูดซ้ําพูดซากมันก็อยู่ในโลกนี่แหละแต่กรรมที่คุณไปโกงมาได้แสนล้านนั่นแหละเป็นสิ่งที่ไปกับตัวคุณจริงๆเป็นชาวพุทธ ฟ, ฟังไว้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ไปศึกษาให้ดีกันแล้วกันสิ่งที่ไปเที่ยไ ด, ได้เปรียบได้อะไรแต่ออไรมายิ่ไปทําทุจริตอะไรแต่ออไรมานี่มันเป็นบาปติดตัวไปมหาศาลเลยแล้วก็เป็นของจริงของแท้ลบไม่ได้ เอายาหนึบเรียกว่าเอายาสารเคมีอะไรที่เป็นสารเคมีที่ลบได้เก่งๆยังไงก็ลบไม่ได้แต่าจะเอาอย่างลบๆเลยนะเป็นสัจธรรมแท้ๆนะอันนี้ก็ขอสรุปไว้ให้ไปคิดว่าคนเรานี่จะเกิดมาจะเอาอะไรจะทําอะไรจะได้อะไรไปในชีวิตได้กรรมกรรมไปกับเรากรรมเป็นกําเนิดไปกับเรา การกรรมพาเราเกิดเราจะไปเกิดถึงไหน ๆ, ๆจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานจะไปเกิดเป็นคนจะไปเกิดเป็นเทวดาจะได้ไปเกิดเป็นคนฉลาดไปเกิดเป็นคนโง่กรรมที่เราทําเองทั้งสิน้นทั้งสิน้นทั้งมวล น, น, นี่ก็ขอสรุปไว้ตรงนีน้ตอนนี้ก็ถึงเวลาเก้าโมงก็ขอเชิญดรรณรงค์จะนั่งอยู่พร้อมกันนี้แล้วทักทายท่านผู้ชมสักนิดหน่อยแล้วก็ มีอะไรจะสักถาม <c oughs> เชิญเลยครับกราบนำมัส ก, การพ่อท่านต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาสักถาม <c oughs> พ่อท่าน ใ, <c oughs> ใ น, นในวันนี้นนก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแลวก็กราบสวัสดีทุกท่านที่นี่นะครับ อ, อย่างไรก็ตามได้ฟังพ่อท่านเทศแล้วสกิดใจหลายข้อโดยเฉพาะเรื่องของกรรม อทอเศนิดเดียวเนี่ยนะครับ เ, เรื่องของศิลห้าอ้าว่าไปก็ทำให้ผมคิดไปว่า <c oughs> อยากจะเรียนถามพ่อท่านสักนิดหนึ่งว่ า, า, า, า, วาผู้นะนำนของประเทศเนี่ย <c oughs> ควรจะยึดถือศิลปห้าเป็นหลักในการปกครองประเทศไหมแน่นอนในราชธรรมหรือในทศพิตรราชธรรมมีทานมีศีลมีปริจาคะนี่สามข้อแรกอีกสามข้อลังอีก เจข้อหลังก็อละมันยังไม่ต้องไหลไปนี่ทานมีการให้ข้อสองประศีนอย่างน้อยสีของมนุษย์เนี่ยคือศีหน้าแต่ผู้ที่เป็นพุทธทุกวันนี้ไม่รู้แล้วว่ามนุษย์จะต้องมีสีหน้าเป็นปกติมีศีหน้าไม่จะมีเป็นสมถานเท่านั้นต้องมีศีหน้าในตนเองคือไม่ละเมิดแล้วเป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ผิดพวกเขามีใครไม่พูดปดไม่ดื่มน้ําเมาเป็นปกติเป็นสามัญเลย นี่เป็นศีลพื้นฐานของมนุษย์ความเป็นมนุษย์โสจะต้องมีจิตพื้นฐานระดับต้นขนาดนี้ถ้าใครยังฆ่าสัตว์ใครยังลักทรัพย์ใครยังผิดผัวเขาเมียใครยังมีกิก๊มกมีกึ๊กยังมีโนมีนี่อะไรอยู่เนี่ยยังโกหกยังดื่มน้ําเมาอยู่เนี่ยก็ยังไม่ใช่ความมีจิตปัญญานในระดับถือว่ามนุษย์โสท่านครับพ่อท่านครับท่านคิดว่านายกรัฐมนตรีของเราคนปัจจุบันเนี่ยซึ่งคนทั่วประเทศ ออกมาขับไล่ให้ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีศินห้าครบถ้วนหรือไม่อย่างไรครับแม้อัตมาเองอัตมาจริงๆก็ไม่ได้คบคุ้นสนิทสนมกับท่านนายกเท่าไหร่เลยนะก็จะตอบว่าท่านมีศีลห้าหรือเปล่านี่ก็ก็คงจะตอบโดยเห็นโดยรู้โดยสัมผัสผ่านๆเท่าที่อัตมาเห็น ก็ดูท่านไม่อยู่กระร่องกระลอยเท่าไหร่ในสีก็สีก็ไม่เห็นท่านอยู่กระร่องกระลอยถ้าจะดื่มน้ําเมาหรือเปล่าอาตมาไม่ไปเห็นนะหรือว่าท่านเองท่านอาจะมีกิ๊กมีก๊ซ้ำซ้อนไม่ได้อยู่ในผัวเดียวเมียเดียวหรือเปล่าก็ได้ข่าวอยู่ว่านะได้ข่าวจริงๆนะอาตมาได้ข่าวเท็จจริงอาตมาไม่รู้ได้ข่าวว่าท่านไม่ผัวเดียวเมียเดียวหรอถ้าไปมีกิ๊กมีก๊อะไรกับคนอื่นอยู่บ้างนี่ก็ไม่ได้ข่าวจริงๆนะอาตมาได้จริงๆว่าจะเท็จจริงไม่รู้จริงๆอ่า เรื่องที่เอาของผู้อื่นที่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, มไมปใช่ของของเราเอาของของผู้อื่นพรินี้เห็นชัดเนี่อันนี้เห็นชัดครับพมีเล่มีเรีย ม, มีเชิงชัน้นมีโอ้โหวิธีการซับซ้อนเอามาคือสีก็สองนี่นะเป็นศีลที่ต้องล้างความโลภสีก็หนึ่งนี่ล้างโทสะอ่ะข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์นี่สีล้างโทสะโดยเนื้อหาแท้สีก็สองนี่ล้างความโลภสีก็สามนี่ล้างราคะสีก็สี่ก็ห้าก็ เป็นผู้สื่อตรงเป็นผู้ซื่อสัตว์รักษา ส, สร้างความซื่อสัตว์สร้างความมีสติอะไรอย่างนี้เป็นสินข้ก่อห่ า, างิมต้ น, นเพราะในศี ข, ข้อสองที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยไม่มีไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้สี ข, ข้อหนึ่งอัตมาก็ไม่รู้ว่าข่าสัตว์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แ ต, แต่คนที่ตายไป25งพศพ แล้วก็คนที่ตายไป เ, เป็นร้อยคนที่คือกรือเซแล้วก็คนที่ตายไปที่ตักใบ อ, อย่างนี้ถือว่าผิดสินข้อหนึ่งไหมออขอ่านการฆ่านี่ยมันมีความต่อเนื่องในกฎหมายเขาก็มีนะในกฎหมายนี่เวลาวิเคราะห์วิจัยหลักเกณฑ์ของกฎหมายเนี่ยผู้สั่งฆ่าเนี่ยได้รับโทษหนักกว่าผู้ลงมือฆ่านี่ก็มีนะ ผู้สั่งฆ่าเนี่ยได้รับโทษหนักกว่าผู้ฆ่าโดยตรงเนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาตมาไม่รู้ความจริงว่าผู้ที่ถูกวิสามันตายไปในเรื่องของยาเสพติดนี่กี่พันศพเนี่ยจะเป็นฝีมือการสั่งของท่านนายกหรือไม่หรือกรูเุเซหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปต่างๆนานาเนี่ยจะเป็นฝีมือของท่านนายกไปฝีปาก ของท่านสั่งหรือไม่หรือท่านมีการส่งศิกแนวอะไรก็แล้วแต่ไปเพื่อที่จะให้จัดการค่ามันก็มีอำนาจของกรรมตามมากตามน้อยตามหนักจริงถ้าท่านมีส่วนท่านก็บาปจริงท่านก็ไม่มีสิน้อ น, นี้ถ้าท่านไม่มีส่วนท่านก็บริสุทธิก็ตอบด้วยสัจจะได้อย่างนี้ครับเอาละเรื่องของข้อส อ, อยากจะกลับไปข้อสองอีกนิดหนึ่งวันนี้คุณทักษิณ นายกรัฐมนตรีของไทยมีเงินไม่ใช่หมื่นล้านผมเชื่อว่าเป็นแสนล้า น, า แ, นแต่แน่นอนแต่ก็ไม่หยุดก็ยังพยายามที่จะหาเงินหาทองให้มากขึ้นตรงนี้มันผิดข้อสองไหมมันถือว่าโลภมากเกินไปไหมตามถ้าจะพูดแล้วโลภมากเกินไปจริงจริงโลภมากเกินไปจริงจ จริงๆโลภมากเกินไปคคนเรานี่ไม่ต้องไปมีมากมีมายขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอปิชฉะสันติปวิเวกะอสังสัก ข, ขะคำกล่าวคำสอนใดๆเป็นไปตามคะถาวัตถุ10บอปิชฉะสันติอสังสัก ข, ขะวิริยารัมพะอะไรในคถาวัตถุห้าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนนี่อีก5เนืคถาวถัตถุอีก5เป็นคถาวัตถุ10ข้อ เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าบอกว่าพูดกันแล้วก็ต้องศึกษาระมัดระวังในเรื่องที่จะต้องเป็นไปเพื่อความมักน้อยแล้วก็ถูกต้องตามธรรมประพุติเจ้าแต่ถ้าเป็นไปเพื่อความมากๆ ก, กคีโลกไม่รู้จกักหยุดจักพอศีลข้เอ้ไม่ใช่หลักธรรมต่อไปที่กระถาปุถุข้อสองก็บอกว่าสันตุธิสันโดษสันโดษแปล ว, ว่าพอใจมันพอน้อยๆก็พอนะสันโดษไปแปลกันสอนกันมาในประเทศไทยในสอนกันมาผิดผิดว่า สันโดษแปลว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่อัตมาถามคุณคืนไปไหน่อยหนึ่งว่าคุณทักสินมีเงินเจ3 0 0พันสารอล้านเนี่ยคุณทักสินจะพอใจในสิ่งที่ตนมีนีมไหมแน่นอนที่สุดออพอท่านไม่พอจึงไม่หยุด <c oughs> ไม่พอเหรอไม่พอไม่ใช่พอใจไม่พอใจดีใจยินดีไม่ในสิสสนทรัพย์ที่ตัวเองมีที่หามาได้ค ง, งต้องพอใจน่นสิแต่ไม่พอนั่นแหละ เพราะงั้นเป็แปลว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เพราะงั้นมีเจ็ดหสามพันกว่าล้านเนี่ยมันก็ต้องพึงพอใจที่สิ่สทรัพย์ที่ตัวเองมีใช่ไหมครับนะเพราะงั้นคนฟังและเข้าใจว่าสันโดรนแปลว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มันก็จบแต่ความจริงแล้วไม่พออืมจริงๆแล้วคําว่าสันโดนีนแปลว่าพอรู้จักพอไม่ใช่ไม่พอฟังให้ชัด ครับสันโดษมนแปลว่ารู้จักพอไม่ใช่ไม่พอไอ้ น, นี่ไม่พอใช่ไหมไม่พ อ, ไ ม, อไม่พอก็ไม่สันโดษ ค, คือคือคน <c oughs> ทั้งประเทศเขามาขับไล่นะฮะทั่วประเทศเลยเไม่ไว่าจะเป็นราชนายกูนก็ขอพระราชทานให้ให้ให้ให้ให้มีนายกพระราชทานแล้วครูบาอาจารย์ก็มาขับไล่เพราะว่าขาดจริยธรรมขาดคุณธรรม แล้วไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอาจารย์ทั่วประเทศนักศึกษานะฮะชาวบ้านทั่วไปคนตาบอดก็มาครับนะฮะคนตาบอดก็มาครับครับพ่อท่านก็ก็ร่วมด้วยหลวงตามหาบัวก็ร่วมด้วยแต่ทักษิณก็ไม่ยอมพอไม่ยอมออกทั้งทั้งที่คนเขาไม่ไม่อยากได้แล้วอันนี้มันมันมันจะมองยังไงครับมองได้ชัดเจนว่าเป็นคนไม่มีธรรมะ ไม่มีพุทธธรรมในตัวเองมองได้ชัดเจนว่ามองไม่มีพุทธธรรมไม่มันมันโลภเกินไปอัตมาพูดแต่ต้นนะทูนถามมาว่าเป็นยังไงก็มันมันโลภมากเกินไปจริงๆในสังคมมนุษย์นี่นะมันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแหละในประเทศไทยก็ตามเรื่องของการบริหารการเงินก็พิมพ์ธนบัตรหรืพิมพ์เงินออกมาอยู่ในประเทศไทยจานวนหนึ่ง ถ้าเผื่อว่าผู้ใดผู้หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆ ก, กอบโกยเอาเงินของประเทศเนี่ยไปไว้เป็นส่วนของตัวซะมากมากๆคนส่วนใหญ่ส่วนกว้างก็ต้องขาดแคลนต้องกระเบียบ ก, กระเสียนต้องแย่งชิงกันนี่เป็นเรื่องของความไม่เป็นอยู่สุขในสังคมผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญ น, นะคนใดทีด่สร้างความไม่เป็นอยู่สุขในสังคมเนี่ยคนนั้นผิดหมาย เพราะฉะนั้นการแย่งชิงเอาทรัพย์สินเงินทองไปเป็นของตัวมากๆนี่ก็เป็นประเด็นชัดๆที่มันไม่เป็นความสุขของสังคมมันทำให้สังคมเกิดความแย่งชิงตีรันฟันแตะแทงกันนะฆ่าแกงกันแย่งแย่งชิงกันฆ่าแกงต้นฆ่ากันได้ด้วยมันเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาแล้วก็ต้องปนต้องฆ่าต้องชิงกันเพราะเหตุที่คนคนหนึ่งหรือหลายๆคนกลุ่มคนที่มีความสามารถมีความฉลาดมีความรู้แล้วก็โลก กอบโกยเอาเงินเอาทองไปเป็นของตนมากเกินควรนั่นคือคือการคือคือสิ่งที่เกินแท้แทจริงๆแล้วในกฎหมายของสังคมประเทศนี้น่าจะกําหนดไว้ว่าคนในประเทศนี้ห้ามรวยเกินนี้ถ้ารวยเกินนี้ต้องผลักเข้าเป็นของรัฐถ้าว่าเป็นคนหมายแบบคอมมิวนิสต์ก็ตามควรจะเป็นเช่นนั้นครับเพราะท่านครับเพ่อท่านได้พูดถึงศีลห้า ผมเห็นด้วยกับพ่อท่านเป็นอย่างยิ่งเลยที่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะผู้นำหลายท่านเนี่ยขาดสินห้าแล้วผมคิดว่าสังคมใดก็แล้วแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ของสังคมนั้นขาดสินห้าสังคมนั้นจะเริ่นได้ยากแน่นอนผม เ, เกิดในเมืองไทยแต่ไป โตในสหรัฐไปใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐสิบกว่าปีไปเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกประเทศสหรัฐเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมากทั้งทางด้านวัตถุและผมคิดว่าทางด้านจิตใจด้วยคือคนอเมริกันมีความซื่อสัตย์สุจริตสูง ม, มีสินห้าสูงกว่าคนไทยโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยมผมสามารถยืนยันได้เลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ผมเองก็ได้ถูกชักเชิญชักชวนเชิญไปในใ น, ในกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนาและก็กิจกรรมทางการศึกษาแล้วพิสูจน์ให้เห็นว่าเนื่องจากความซื่อสัสตย์สุจริตเนื่องจากคนอเมริกันเนี่ยเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนดีเป็นเป็นศาสนาที่สอนอให้คนเป็นคนดีแล้วคนอเมริกัน เป็นคนที่มีศินห้าค่อนข้างจะสูงไม่พูดปลด mm. ไม่หลอกลวง mm. จะบอกว่าโลบไหมก็คงก็คงมีแต่แต่การที่ไม่พูดปลดไม่โกหกไม่หลอกลวงเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะแต่บ้านเราเนี่ยตรงนี้มันขาดมากจึงทำให้การพัฒนาถ้าคนจ้องโกงเนี่ยนะฮะเราพยายามที่จะเปิดบริษัทมาสักบริษัทหนึ่งเพื่อ กระทำอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามีคนจํานวนหนึ่งจ้องโกงหรือว่ามีรัฐบาลเนี่ยแล้วก็มีนักการเมืองเข้าไปจ้องแต่จะโกงก็คือขาดสินห้าไปแล้วหนึ่งของ้อกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้บริษัทเช่นกันถ้าลูกน้องจ้องเข้าไปโกง ก็ไปกินคอมมิชชั่น 30% 40% ของร้อยบาทซื้อมันสัก0บาทอะไรต่างๆเลานานๆเหล่านี้แล้วก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเองร้อยบาทในที่สุดค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงกว่าความเป็นจริงแล้วบริษัทนั้นก็จะต้องเจ๊งไปในที่สุดแล้วคนก็จะต้องตกงานเช่นกันครับรัฐบาลถ้าเขาต้องโกง CTX ของพ2 0 0 0 0 0ล้านซื้อมานสัก0 0ล้าน อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วเงินอีก4ี่ห้าพันล้านหายไปไหนแล้วรัฐบาลจะไม่เจ๊งได้ยังไงแล้วประเทศชาติจะไม่พังได้ยังไงท่าพอท่านอ่าในเรื่องอาตมาพูดถึงแนวคิดของทุนนิยมโดยเฉพาะไม่สอนเรื่องคุณธรรมาศาสนาพูดใี่สอนให้มักน้อยมีน้อยก็ได้อยู่รอดและเป็นสุขนะการมีน้อยหรือการมีใจพอแล้วก็เป็นสุขเนี่ย เป็นคุณค่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์เป็นคุณสมบัติเป็นคุณวิเศษด้วยนะเพราะงั้นใจหรือจิตกิญญาเนี่ยของคนเนี่ยถ้าไปเข้าใจว่าเราจะต้องรวยๆมีมาก ๆ, ๆๆๆมีมากกว่าเขานี่โอ้โหโก้เท่อะไรต่างๆนาน า, น, านี่เป็นการสอนที่ผิดพลาดคนเราไม่ต้องมีมากเป็นคนจนได้แต่เป็นคนจนที่ไม่อดไม่อยาก เป็นคนจนที่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรมีระบบมีวิธีและก็รู้จักสาระใช้วันเวลาใช้แรงงานในวันเวลาสร้างสรรสิ่งที่ดีขึ้นมาให้แก่สังคมและเหลือตัวเองกินใช้ในสิ่งที่เราสร้างสรรขึ้นมานี่แหละแล้วก็เหลือลก็สะพัดหรือกระจายให้แก่ผู้อื่นต่อๆไปโดยไม่จาเป็นจะต้องเอาไปค้าไปขายหรือเอาไปแลกเอาเปรียบเอารดมา ให้ไปและเราก็มั่นใจในตัวเราเองว่าเราเป็นคนมีสมรรถนะแข็งแรงและกสร้างได้คุ้มตัวพึ่งตนเองรอดได้มาแต่ละวันสร้างแต่ละวันตระวันคุ้มกินคุ้มใช้และก็ยังเหลือทุกวันทุกวันทุกวันนี่เป็นความเชื่อมั่นเป็นความเข้าใจของาศาสนาพุทธสอนให้คนมีคุณลักษณะอย่างนี้และประพฤติอย่างนี้ให้ได้เมื่อประพฤติเป็นคน มักน้อยสันโดษเป็นคนที่ไม่ติดไอ้ที่โลกโลกมันมาหลอกล่อเรียกว่าสักขะหรือสวรรค์สักขะหรือสวรรค์นี่เป็นสวรรค์หลงลวงนะมอมเมาให้เราหลงไปในรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสหลงไปในสิ่งปรุงแต่งหลงไปสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยรูหราจนวิตถานแล้วถือว่าโอ้โหมันมันมันอร่อยมันสะใจมันแซ่บมันโอ้โหตื่นเต้นสนุกสนานอะไรก็ตามใจสิ่งเรานี้เป็นสิ่งที่บําเรออารมณ์ บำเรออารมณ์เป็นโลกีและก็ปลุกเร้ากันสร้างขึ้นมาสมมุติกันมาหลอกกันหลงเชื่อกันคลั่งไคลกันสิ่งเหล่านี้แหละาศาสนาพุทธสอนไว้ชัดหมดเลยจนกระทั่งกลายเป็นคนหลุดพ้นหลุดพ้นจากสิ่งที่โลกคลังค่งไคลหลุดพ้นจากสิ่งที่โลกไปติดยึดในรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสในสิ่งที่ปรุงแตง่งในสิ่งที่ทาอะไรออกมายั่ว ย, ยุ่ยอมเข้าใจสาระสัจจะ คือเขาจะยายสาระแห่งความจริงว่าโอ้แถวนี้ก็พอไม่ต้องไปปรุงแตง่งไม่ต้องไปเปลืองไม่ต้องไปหรูหราไม่ต้องไปปีมากมีไม่ไม่ต้องไปขมไป็บงอะไรกันแม้ที่สุดมีน้อยๆยให้เป็นสาระยิ่งสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่วัตถุดิบทรัพยากรของโลกเนี่ยร่อยหรอลงมากแล้วเพราะฉะนั้นการแย่งชิงการกระเยบกรเสียนยิ่งมากขึ้นเราจรึงจําเป็นที่จะต้องมักน้อยลงไปอีก สลักลงไปให้ได้มากอีกหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาให้ได้มากๆแล้วก็กระจายช่วยคนอื่นได้มากอีกแนวคิดเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ตามที่อาตมาพูดครขข่าวๆสันส้นๆอย่างนี้แหละเป็นแนวคิดหรือเป็นความจริงที่คนจะต้องศึกษาและประพุทิให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นคนที่มีความมาักน้อยสันโดษต้องสร้างสรรค์ามากๆแล้วก็กระจายเพื่อแผ่ออกไปสังคมก็จะเป็นอยู่สุขได้เพระเาะฉะนั้นลักษณะของการบริหารสังคม นแนวคิดของที่อาตมากล่าวนี้อาตม า, าเรียกว่าแนวคิดแบบพุทธเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธหรืออีกในหนึ่งที่อาตมาตั้งภาษาขึ้นมาลอ้อทุนนิยมเนี่ยแหละว่าเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมแนวคิดเช่นนี้พิสูจน์ได้ไหมกิเลสละได้จริงไหมคนจะมักน้อยได้จริงไหมคนจะสันโดษได้จริงไหมคนที่จะไม่ติดสวรรค์โลกสวรรค์ที่เขาลงลวงว่ามันเป็นสุข อร่อยเพิดเพลินอะไรก็แล้วแต่สนุกสนานที่เขาหลอกกันเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยจะลดได้ไหมเป็นจิตเฉยไม่เป็นรถเป็นชาติแล้วหมดอัตสาธะในโลกีแบบนั้นแล้วเนี่ยจะได้ไหมอย่างนี้นพิสูจน์ได้ธรรมะของพระเจ้าพิสูจน์ได้ที่อาตมากล้าพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าอาตมาได้นําธรรมะของพระเจ้าดังกล่าวนี้มาเผยแผ่มาอธิบายมาประกาศให้ชาวไทยที่เป็นพุทธนี่แหละ ที่ผู้สแสวงหาพยายามมาศึกษาศึกษาและประพฤติปฏิบัติจนได้ลดได้ละได้จางคลายได้จิตใจไม่ไปต้องไปสุขไปทุกข์แบบนั้นได้เรียกว่าโลกุตรธรรมโลภุตรธรรมคือธรรมะที่เหนือกว่าโล ก, กิริยทิศโลกเข้าลงไหลติดยึดกันอยู่จะต้องได้ลาบมากๆเงินมากๆจะต้องได้ความสุขมากๆอะไรพวกนี้โดยเฉพาะแม้มันมากเกินมันเป็นอบายยมุกแล้วก็ไม่รู้จัก แต่พวกเรามาเรียนรู้ธรรมะกุฏเจ้านี่รู้จักว่าอ๋ออันนี้เป็นอบายยมุกแล้วเป็นเรื่องเกินและเรื่องเสื่อมแล้วอันนี้มันมากไปจัดไปโลภมากไปอะไรมากไปก็รู้แล้วก็ลดลงลดลงลดลงจนเป็นคนกลุ่มชาวอโศกเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านมีระบบมีระบบมีธรรมเนียมมีวินยัยหรือมีวัฒนธรรมชาวโศกเนี่ยในหมู่บ้านขออภัยที่ต้องยกตัวอย่างเรื่อยเลยเพราะว่า มันเป็นจริงอะ่ะแล้วกย็ยืนยันได้ว่ามันเป็นคนอย่างนี้จริงๆตา ม, ามรธรรมบุพติเจ้าในหมู่บ้านชาวโศกนี่แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเนี่ยไม่มีอบายามุกเลยไม่ฆ่าสัตว์เลยไม่ลักทรัพย์เลยไม่ผิดผัวเขาเมียแครไม่โกหกไม่มีน้ําเมาไม่มีมาอย่าว่าจะน้ําเมาหรือแม้แต่บุรีก็ไม่สู้กันทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชน ไม่มีสูบแม้แต่มวลเดียวไม่มีใครสูบได้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องที่พิสูจน์จากธรรมะของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นคนที่มีกลุ่มหมู่ที่อยู่กันอย่างนี้มันก็ไม่ต้องโลภมากก็มีการสร้างสรรพออยู่พอกินเมื่อพออยู่พอกินแล้วก็สัพัดมีหลักการอย่างที่อาตมาพูดเป็นแนวคิดขายให้ถูกขายให้ต่ากว่าทุน คำว่าต่ำกว่าทุนนี่คนงงงเพราะเราเป็นการคิดแบบทุนนิยมไปจนชินจนติดไปหมดแล้วก็ขอขยายความนิดนึงว่าเอาแล้วตายขายต่ํากว่าทุนนั่นมันจะอยู่รอดหรือรอดเพราะการขายต่ํากว่าทุนก็หมายความว่าการคิดทุนนี่เขาคิดค่าแรงงานด้วยนะคุณจบมาขแขนงไห น, นเศรษฐศาสตร์โอ้เ อ, ะ เ, อะเลยงั้นสบายมากเศรษฐศาสตร์ด้วยการคิดทุนนี่ก็คิดค่าแรงงานด้วยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุนก็บวกค่าแรงงานด้วย ทีนี้คนเราเนี่ยเวลาสร้างค่าแรงงานบวกไปในนั้นเป็นค่าทุนเราก็ลดค่าแรงงานของเรานั่นแหละสมมติว่าผลิตอะไรออกมาชิ้นหนึ่งเนี่ยวิธีคิดอ่าคิดทั้งค่าแรงงานทั้งอะไรด้วยแม้แต่เออเรอไอ้สิ่งที่บอกเอ้มันยังไม่รู้มันยังคิดไม่ออก mm hmm. เพื่อเพื่อเรื่องเขาด บ, บวกไว้ 3% 5% ปอะไรก็ตามแต่เมื่อคิดทุนนี้แล้วสมมติว่าหาออกมาได้ชิ้นนี้ราคาพันหนึ่งเราขาย แปดร้อยนี่กำไร200ครับทุนนันพันหนึ่งขาย800อยกำไรสองร้แล้วจะขายจะอยู่ได้ไงก็ทุนของเราในนี้นี่มีค่าแรงงานอยู่ด้วยในพันหนึ่งเนี่ยการคิดแรงงานของนักของนายทุนของผู้สร้างนี่นะส่วนมากนี่จะคิดค่าแรงงานนี่แพงนะยิ่งไปจ้างคนฝีมือดีๆมาในค่าแรงงานสูงมากนะ ค, ค่าแรงงานนี่บางทีนี่กว่า 50% าสนะิบรนะ กว่าห้ในค่าแรงงานของสินค้านี่เพราะงั้นราคาพันหนึ่งเนี่ยราคาค่าแรงงานเนี่บวกแล้วค่าแรงงานเจ้านั้นเจ้านี่คนนี้เป็นคนคิดวิธีนี้คนนี้เป็นคนทนํานี้คนนี้เป็นคนผลิตคนนี้เป็นคนลงมือทําคนนี้ค่าแรงงานใครอีกบ้างละ่ะทั้งค่าแรงงานผ่านโรงอะไรต่างๆเขาต้องคิดบวกไว้ในนี้หมดแหละเพราะฉะนั้นค่าแรงงานรวมแล้วเนี่ยมันจะตกไปถึงกว่า5 0าแล้วก็ลดค่าแรงงานนั่นแหละลงไป โดยให้ผู้ที่เป็นคนทำงานหรือเอาแรงค่าแรงงานนี้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าคนสมมุติว่าคนคนนี้มีค่าแรงงานวันละพันบาทเสร็จแล้วเขาก็ทำงานชิช้นเนีย้ยมาทำออกมาแล้วเสร็จจะขายไปตัวเองกินใช้แค่200ค่าแรงงานละพันหนึ่ง เราก็กินใช้แค่200ร้อเหลือตั้งแ0ดร้อยแล้วก็เอาแ800ดร้อยนั่นแหละมาลดต้นทุนอ ม, มาลดต้นทุนผู้คนเดียวนะแต่นี้อีกหลายๆคนก็เฉลี่ยกันมาลดต้นทุนอีกมันก็ขายต่ากว่าทุนได้อยู่รอดนี่วิธีคิดยิ่งพูวกั น, นักเศรษฐศาสตร์ยิ่งจะเข้าใจง่ายครับเพราะนั้นเขาบอกว่าขายต่ํากว่าทุนอยู่ดูได้ไงก็ชาวโศมกอยู่ได้มาจนป่านนี้นี่เป็นตั้ง30สปีแล้วครับ ก็ขายตา่ำกว่ทุนนี่แหละก็อยู่ได้มาจนทุกวันนี้เพราะงั้นคนถึงบอกว่าไอ้นี่มันพูดเล่นพูดเกินจริงพูดเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ขอยืนยันหลักคิดบุญนิยมไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันไม่ใช่เรื่องฟุ้งซ่านเป็นหลักคิดที่จริงและปฏิบัติได้แล้วจะทําให้เกิดความสงบในสังคมด้วยคนก็ไม่เป็นบาปเพราะไม่ต้องเป็นเธอเดรีดนาะทาเร้นเอาเปรียบเอารัดเขาเป็นบาปเป็นกรรมกรรมวิบากของตนเองเอาละคุณไม่เชื่อกรรมวิบากก็ตาม ผลประโยชน์ทนตาเห็นนี้สังคมจะเกิดการเฉลีย่ยเป็นเศรษฐกิจแนวใหม่เป็นเศรษฐกิจที่จะต้องเฉลีย่ยเผื่อแผ่กันไปให้แก่สังคมคโดยไม่ต้องบังคับผู้ใดรู้ขเข้าใจมาก็มาลดลมักน้อยสันโดษผู้ใดมีภูมิธรรมสูงคนนั้นก็ไม่ต้องเอามากมักน้อยสันโดดได้จนกระทั่งของเรานี่ชาวอโศเรานี่ขออาภัยต้องมันต้องยกตัวอย่างแล้ว อ, อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยทำงานฟรีคตั้งเยอะทั้งนั้น่ในหมู่บ้านเราทํางานฟรีเกือบทั้งหมู่ทุกหมู่บ้านน่ย ทำงานฟรีแต่มีบ้างบา ง, บา ง, บ, างบางรายบางแห่งบางที่ที่แบ่งส่วนบ้างนิดๆในหน่นนนอยแต่ไม่มากหรอกอย่างสัติาโสรในยกตัวอย่างหมู่บ้านในเมืองในกรุงจะมีงานมีทั้งบริษัทมีทั้งโรงพิมพ์มีทั้งร้านอาหารอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะมีทั้งร้านค้าขายสือ่ออะไรต่างๆคนที่ทํางานอย่างครานอาหารนี่ทํางานฟรีทุกคนทํางานฟรีอย่างร้านขายสื่อเนี่ย ก็ทํางานฟร oh. ีบริษัทโรงพิมพ์แต่ก่อนนี้โรงพิมพ์ของเราเนี่ยแต่ก่อนนี้เขามีเงินเดือนตั้งแต่ผู้จัด ก, การมายันพนักงานเข้าเงินเดือนเท่ากันคือ 3,000 บาทสามพัน oh. บาทต่อเดือนครับตอนนี้ต่อมามันก็เจริญโรงพิมพ์มันก็ดีขึ้นเขาก็เลยจะสร้างโรงพิมพ์ใหญ่โตมีเครื่องไม้เครื่อง ม, มือเยอะที่พักที่อาศัยสวัสดิการดีขึ้ น, oh. ขนเขาก็เลยมาประชุมกันลดเงินเดือนลงมาเหลือส0 0พัน นี่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องมาคุยโมไม่ใช่เรื่องสร้างภาพนะก็เพราะว่าทํางานมีประสิทธิภาพมี<ช>ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นใช่ต้นทุนมันก็เลยลดลงลดลงแล้วการสร้างสรงรค์ก็ได้มากขึ้นการอยู่กินดีขึ้นมีสวัสดิการดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยลดลงมาเหลือเองินเดือน2000กันตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นนีบ่บริษัทฟ้าภัยเป็นบริษัทโรงพิมพ์ของจอาอ่าอโศกยุที่สันย์อโศกนี่เองอย่างนี้เป็นต้นหรือ บ, บริษัทพลังบุญ บริษัทแด่ชีวิตบริษัทขอบคุณอะไรก็แล้วแต่เป็นบริษัทขายส่งขายปีนี่นะอย่างบริษัทพลังบุญนี่ตั้งมา1 7บ8ปีแล้วตั้งแต่ตอนโน้นโดยตั้งมาแล้วนี่เงินเดือนของผู้จัดการกับพนักงานเท่ากันหมด oh. 2,000 บาท oh. ตั้งแต่ตั้งมาเดี๋ยวนี้ก็ยัง 2,000 บาทครับโอ้โหบางคนรับมา 2,000 บาทนี่เขาก็ไม่ได้เอาหมดนะ oh. เขารับเซ็นรับเขารับมา 2,000 ันบาทจริงแต่เขาก็คืนไปให้กองกลาง oh. เขามีกองบุญ oh. กองสวัสดิการกองบุญ คือไหมเขาขอจะเอาแค่พันเดียวบางคนก็ให้คืนหมดเลยทั้งสองพันแต่ในแต่ละเดือนนี้เขามีสิทธิ์ใช้สองพันใช่ไหมครับเขาอาจจะบอกเออมันไ อ, อ้ตอนนี้มันเกิดจะต้องใช้ขึ้นมาเขาก็ไปเบิกมาได้แต่เขาจะเบิกใช้ไม่เกินสองพันไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นเขาก็ไปเบิกไม่ใช่บ้าง บ, บางกรอนก<ๆ>็ไม่เบิกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นแล้วเกิดแล้วจริงๆแล้วในในสังคมมนุษย์ในขณะนี้ดีมากเลยแล้วอาหารการกินเขาทํากันยังไงครับเขาก็ทําส่วนกลางไงตากิน ทำกันกินกาทำกันกินเองมีสวัสดิการมอข่าวอาหารการกินเสื้อผ้านาแผลที่พอใช้อะไรเขาก็มีให้ใช้คืออุปโภคบริโภคสาธารณูปโภคอะไรเนี่ยใช้ส่วนกลางครับน่าหน้าหน้าหน้าหน้าศึกษาหน้าทึงหน้าศึกษาหน้าทึงแต่คนเราก็เขาจะไม่เชื่อว่าไอ้นี่มันคงทําเล่นแต่ธรรมาว่าทุกวันนี้ทํามาถึงนานย0่สปีแล้วไม่ใช่ง่ายง่ามันมันเกิดจากจิตวิญญาณ จีตวิญญาณของเรามีความมักน้อยมีความสันโดษพอเพียงมีเศรษฐกิจพอเพียงในหัวใจจริงจริงเพราะแค่นี้มันพอจริงๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาพอเพราะฉะนั้นเรื่องสวรรค์โลกโลกที่เขาหลอกมามอมเมามาเพื่อให้ไปซื้อไปหาไปจ่ายทรัพยจ่ายสินเนี่ยเขาไม่มีแล้วเขาไม่ใช่แล้วเขาพอจริงๆริรงโจะปรุงแต่งมองมเมาขึ้นมาอย่างไรเขาก็ไม่ลหลงไหลด้วยจริงๆเมื่อปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วจิตใจจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ขี้เกียจวิริยารำพะ ขยันถ้าเปลี่ยนเพราะว่าความขยันนั้นไม่ใช่คุณสมบัติต่ำเป็นคุณ ส, สมบัติที่ดีงามของมนุษย์เพราะยังเขาจะไม่มีปัญหาอะไรเลยในกา ร, รขยันครับครับเอาล่ะพ่อท่านครับพอดีมีคำถามมาจากข้างล่างนะฮะมาจากข้างหน้ า, า, านะครับพ่อคะผู้ที่เข้าใจว่าตนเองเป็นชาวพุทธแต่ยังพูดกันว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปมีผลเสียหายในทางโลกและทางธรรมแค่ไหน ขอความเมตตาให้พ่อท่านให้รายละเอียดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องคโอคด้ดีมากดีมากทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเป็นการจำนนต่อสัจธรรมคือเป็นคนไม่เชื่อในสัจธรรมแล้วก็ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมอย่างสำคัญกระทำการกระทำนั้นคือการกระทำแต่คนเพี้ยนประเด็นไปบอกว่าทำ ทำชั่วคือโกงเป็นต้นหรือว่าเฉลีย่ยเลียแข่งเลียขาเป็นต้นนี่เป็ น, เ ป, นเป็นการกระทําที่ไม่ดีแน่นอนเอาเอาเจาเจ้าก็คือโกงเขากโกงแล้วเขาก็เลยได้เงินมาเขาก็เลยไปตีความว่าการได้เงินเป็นความดีถ้าใครตีความว่าการได้เงินเป็นความดีคนนั้นก็เพี้ยนประเด็นของความดีไปอย่างหนึ่งสองเพี้ยนสัจธรรมเพราะว่าการได้เงินมาไม่ใช่กรรม กรรมคือคนโกงคุณทำำํากรรมโกงแล้วคุณก็ได้เงินมาด้วยความเก่งความฉลาดก็ตามกรรมคือโกงกรรมไม่ใช่เงินเห็นไหมในเพี้ยนแล้วกรรมไม่ใช่เงินเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทําชั่วได้ดีคุณโกงในะคุณชั่วแน่แล้วคุณได้เงินมาแล้วคุณบอกได้ดีมันก็ผิดประเด็นผิดเป้าผิดเนื้อหาไปแล้วมันไม่ใช่ฝาใช่ตัวของมันเลยผิดฝาผิดตัวนะคุณทำำํากรรมโกงทําปุ๊บคุณก็ได้ปั๊ด คุณโกงร้อยหนึ่งคุณก็บาปร้อยหนึ่งคุณโกงสองรอยคุณก็บาป200คุณโกงกล้านหนึ่งคุณก็บาปล้านหนึ่งคุณโกงหมื่นล้านคุณก็บาหมื่นล้านถูกตั้งที่สุดคุณได้เงินมาหมื่นจริงหมื่นได้หมืน่นเงินหมื่นมาไม่ได้เป็นความดีถ้าการได้เงินเป็นความดีพระพุทธเจ้าก็ชั่วพระพระพุทธเจ้ามีเงินมีทองทิ้งหมดสละหมดพระพุทธเจ้ า, า <c oughs> เลยชั่วเลย พรพุทธเจ้าไม่มีดีไม่มีเงินอะไรกันนะคิดยังไงภาษานี่คือสัจธรรมต้องคิดใน ด, ดีอย่าไปพูดเล่นทำรีได้ดีมีที่ไหนทำช่วได้ดีมีทัไปไม่มีคุณไปตีหัวคนมึงปังช่วยหรือดีนเส็นและคุณตีหัวเขา ค, คุณก็สะใจสมใจว่าได้แหม่ได้ทำร้ายมันในสะใจเอเกลียดมันเราโกรธมันแล้วก็เลยดได้ตีหัวมันคุณทา ตีหัวเขาคุณชั่วแล้วคุณทําปั๊บคุณก็เป็นบาปเป็นกรรมบินเป็นอกุศลวิบาปที่คุณตีหัวเขาคุณจะชนะคนนั้นตีถูกตีหัวไปแล้วเจ็บบาดเจ็บไม่ไปฟ้องร้องไม่ไปทําอะไรหยุดไปเขาไม่เอาความเขาไม่ไปทำอะไรแล้วคุณก็บอกว่าคุณชนะคุณได้เปรียบไม่ใช่เลยคุณได้ดีเพราะคุณชนะเขาเห็นไหมเนี่ยคนนี้ถูกเราตีหัวฟรีแล้วไม่ไม่เกิดเรื่องอะไรแล้วเราเลยชนะไม่ใช่คุณได้กรรมที่คุณทําร้าย ทำทำร้ายเขาตีหัวเขาะจะต้องเข้าใจกรรมอย่างชัดเจนว่ากรรมคืออะไรกรรมคือการกระทําการกระทํานั้นดีหรือชั่วกุศลาธรรมมาหรือกุศลกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมต้องชัดเจนในกรรมมฟังพ่อท่านเทศแล้วผมรู้สึกซึ้งนะฮ ะ, ะซึ้งมากๆเลยแล้วก็<อ>เห็น ด, ด้วยกับพ่อ <laughs> ท่านเป็นอย่างยิ่งเลยะนะครับในเรื่องของกรรมคือคื อ, คอท่านทั้งหลายที่อยู่ข้างล่าง ท่านคิดว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นคนที่ได้ดีไหม <c oughs> คุณก็เวียนไปหาแต่นายกนี่นะ <c oughs> ได้ดีไหม <c oughs> คุณก็พยายามยื่นมีดให้อัตมาเรื่อยเลย <c oughs> ยื่นมีดมายื่นไยมาเสียบทีที่พระคุณเจ้า <c oughs> เสียบทีที่พอทำเสียบทียื่นมีดมาอยู่เรื่อยเลยนะ <c oughs> อัตมาก็เป็นคนใจไม่ค่อยอำมหิตเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากเสียบเท่าไหร่ ก็เลยขอพูดเร่งเรียกไปหน่อยนึงก็แล้วกันว่าก็จะบอกว่าเมื่อกี้ถามมาอะไรนะบอกว่าคือนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยได้ดีไหมถ้าท่านฟังพ่อท่านเทศเมื่อสักครู่นี้นะฮ ะ, ะ, ะและ้วจะแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้ได้ดีไหม ก, ก็ตอบอย่างจา ก, จากคำถามอันเนี้ยจากคําถามอันเนี้ยสัจเ<า>จเลยตามตรงเลยว่าก็ไม่ได้ดีหรอกเปโลบโมโตซันไปเลี่ยงไปใช้ก้อ น, นกรเลกก้อนใช้เชิงชั้นอะไรอย่างที่อาตมาอธิบายมาแล้วนะแล้วก็ไปเอาเปรียบเอารัดเขาได้เปรียบมาแล้วก็เอามาจนกันมาทั้งมาดูโดนว่าโดนอะไรแต่ต่างๆนานาก็ยังไม่สํานึกอะไรเนี่ยยิ่งเห็นชัดว่านอกจากไม่ได้ดีแล้วยังไม่สํานึกด้วยครับ อันนี้อันตรายมากอันตรายมากถึงอันตรายอาตมาถึงว่าได้มาช่วยว่าเออก็เห็นด้วยที่ประชาชนส่วนใหญ่ส่วนมากมาต้องการให้ท่านอย่าทำบาปต่อไปเลยถ้าท่านอยู่อีกท่านท่านทำบาปมากกว่านี้ต่อไปอีกด้วยความไม่เข้าใจด้วยความไม่สํเนิกและท่านก็ทำอย่างชินชาอย่างกล้าแข็งอย่างนี้ซึ่งท่านควรจะหยุดเพราะว่าท่านไม่หยุดนั้นท่านเป็นบาปท่านได้ความบาป ท่านได้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามอะไรไปอีกในชีวิตจริงๆนี่ไม่ได้ไปแช่งไปด่าไปว่าอะไรเลยมันเป็นเรื่องสัจจะมันเป็นเรื่องกรรมสัจจะเพราะท่านยังจะต้องดืง้อดึงดึงดันทำในสิ่งที่ท่านเข้าใจผิดนั้นไปอีกมันเป็น บ, บาปทัพย์บาปซ้อนบาปทบทวีคูณไปอีกมากมายประชาชนนี่ก็เลยไม่อยากให้ท่านได้ทําบาปอะไรต่อไปอีกก็จึงพยายามมาต้านมาพยายามที่จะให้ท่านหยดุดนะก็ ก็ก็เขฟังบ้างเถอะท่านก็เป็นพุทธศาสนิกชนท่านควรจะเชื่อบาปเชื่อบุญบ้างเห็นท่านเองท่านแต่อาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าท่านเองท่านไปเข้าใจทังเรื่องไปทําพิธีกรรมไปทําอะไรไปทำศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ไปทํ า, ศาศทพิธีไอสิ่งอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของพุทธเลยไม่่ใชพุทธจะต้องเชื่อกรรมเชื่อวิบากถ้ากรรมที่ทําดีแล้ว กรรมนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราเรียกว่ากรรมมปฏิสน โ, โนถ้าทํากรรมนั้นเป็นกรรมชั่วกรรมนั้นก็จะทําร้ายเราเป็นที่พึ่งเหมือนกันแต่เป็นที่พึ่งที่อาศัยที่ทุกร้อนร่วมบากอย่างที่เป็นนี่แหละครับอย่างที่เป็นนี่อาตมาว่านี่คือกรรมชัดๆ คำที่ทำไว้มันไม่ดีมันถึงทาให้เดือดร้อนวุ่นวายจนกระทั่งได้ข่าวว่านอนไม่หลับต้องใช้ฉีดยา ก, ก่อนนอนทุกคืนอะไรนี้อาตมาก็ได้ฟังข่าวมานะเท็จจริงอาตมาไม่รู้นะไ ม, ไม่ไม่รู้ความจริงหรอกได้ข่าวมาอย่างนี้นได้ดีไหมไม่ไม่ได้ดีนะก็ก็กอาตมาว่าอาตมามีจิตใจเห็นใจนะ คือคมันเข้าใจเห็นใจอยู่เหมือนกันอนะเห็นใจที่มันจะต้องได้บาปได้กรรมได้ชั่วได้อะไระอะไรนี่ก็จึงเกิดจิตที่เห็นอย่างนี้แหละถึงจึงจะมาช่วยทางนี้เพื่อที่จะระงับยับยั้งให้ท่านไม่ต้องทำต่อไปไงทำกรรมต่อไปนี่เป็นอาตมาว่าเป็นความปรารถนาดีที่อาตมามาทำ เ, เพราะว่าเข้าใจจริงๆเข้าใจ ว, าว่ามันเป็นความลาบาก มันเป็นความหนักหนาสาหัสหนักไปเรื่อยๆเลยในชีวิตถ้าท่านจะคืนอยู่ทําอย่างนี้ต่อไปอีกมันไปไม่รอดแน่นมันเป็น ท, ทุกข<จ>์ของท่านมันเป็นบาปของท่านซึ่งท่านล้างไม่ได้ท่านทําจริงมันเป็นจริงนะยิ่งท่านทานเท่าไหร่มันก็สะส ม, มไปของท่านไปเป็นของของท่านเป็นกรรมสกตาเป็นความเป็นของของตนของท่านไปครับเป็นกรรมสกุอครับพอดีมีคําถามอีกคําถามหนึ่งจากท่านที่ฟังเทศอยู่นะครับถามว่ากราบ นมาสการพ่อท่านครับช่วยอธิบายมิตรฉาอาชีวห้<อ>ให้ผู้ยังหลงอยู่ในทางที่ยังทํางานอยู่ในกลุ่มคนผู้นําที่ยังมีการโกงการล่อลวงการตลบตะแหลงการยอมมอบตนในทิศในทางผิดการเอาลาบแลกลาบอยู่<อ>จะปฏิบัติอย่างไรกราบนมาสการ อ, อันนี้เป็นมิตรฉาอาชีวห้า เป็นมิจฉาอาชีพในมรรคองแปดเนี่ยมีสังกปะวาจากรรมมนตะอาชีวะเนี่ยสังกปะก็จะมีมิจฉาสนะถ้าเรียนดีๆแล้วนในมรรคองคปดในมิจฉาสากับมือมีอากรารมพยาบาทกรารมพยาบาทวิหิงสานะกรารมวิตกหรือพยาบาทวิตตกวิหิงสาวิตตกนี่เรียกว่ามิจฉาสาของสังกปะวาจาก็มี4นะมิจฉาวาจาสีก็คงรู้นะแปลเป็นไทยกันมาพูดปดผู้สอเสียด น่ะพูดหยาบพูดเพือเจออะไรนี่แหละส่วนกรรมกรรมมันตะก็มีมิจฉาสมคือมีปานาธิบาตอาินนาทานการเมสุมิจฉาจานสามข้อนี้เป็นมิจฉาสามของอกรรมมันตะส่วนอาชีวะนะ่ะมีมิจฉาหคือมีกุหณาลัปนาเนมิตกตานิเปสิกตาราเป็นนัลลพังนิชกิงสนาตานี่เป็นมิจฉาห้คำห้าหลักกุหนาแปลว่าทําทุจริตหยาบ กุานาเพราะยังี่คนที่ยังมีอาชีพนี่เป็นมิจฉาชีพ 5, 5้หประการนะคนที่ยังมีอาชีพแม้เรื่องนิสซึ้งนะแต่คนไม่อธิบายกันอัตมาเอามาอาธิบายแล้วก็เอามาพิสูจน์นะถ้าคนยังทําอาชีพมีการโกงก็แน่นอนเป็นมิจฉาชีพบาปอยู่นั่นแหละครับสองรัปรนารัประนาะนาไปแปลว่าการหลอกลวงยังใช้เล่ใช้เลี่ยงใช้ลิ้นใ ช, ใช้อะไรต่างๆนานาครับก็มันไม่หยาบใช่ ขออภัยถ้าจะกล่าวชัดๆว่าอย่างท่านนายกทำเนี่ยดูเหมือนไม่หยาบซับซ้อ น, นเช่นเชิงชั้นในการที่ไปจดแปรรูปกฟผอย่างที่ชัดเจนออกมาแล้วเนี่ยว่ารัฐมนุนสารปกครองท่านพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเนี่ยเป็นความซับซ้อนในการใช้คนซับซ้อนเพื่อจะจะเข้าไปอ ะ, อะไระอะไระต่างๆจนกระทั่งสารรัฐมนุนจงต้อ ง, ง, งตัดสินว่า ผิดกฎหมายนั่นแหะครับอย่างนี้เป็นวิธีการใช้ลับปนา<ล>ใช้เล่เหลี่ยมเล่กลช น, น, น, นเชิงหลอกลวงคนอื่นโดยให้คนอื่นไม่รู้เท่าทันมันไม่หยาบเหมือนกูนากูนานี่มันโกงซื่อโกงด้านๆโกงดื้อๆโกงหยาบๆตื้นๆไม่ใช้เชิงชัน้นไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้เล่เหลี่ยมอะไรมากนะักแต่ลับปนานั้นสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับอ่าหมายความว่าสูงขึ้นไปโดยที่เราว่าจับไม่ได้ใช้เชิงชัน้นใช้อะไรอะไรไปไม่หยาบเหมือน ข้อที่หนึ่งอาชีพอย่างนี้ก็ยังบาปเป็นมิจฉาชีพยอยู่ข้อที่สามนนิเปในมิตรกตาหมายความว่าไม่ตลบตลางหรือว่าไม่เสี่ยงครนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้อยู่ว่าสิ่งนี้มันเป็นบาปเป็นชั่วจงอย่าไปเสีย่ยงจงอย่าไปแลกจงอย่าไปกระทําอย่างลับๆล่อ ตลบท่านแปลในมิตรกตาว่าตลบตะแลนก็ยังไปลับๆอทําก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีไปเรื่งอยๆไปเสี่ยงไปทำๆลบๆทำนั้นยึกยักไปเมื่อยกมาทําไม่อันนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์ยังเป็นอาชีพที่รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ค่อยสื่อสัตว์มันไม่ค่อยจะตรงมันไม่ค่อยจะดีนักรอกแต่มันยังไม่หยาบเท่าลปนาที่สูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะระดับที่สามถ้าอย่างนี้ก็ยังเป็นบาปเป็นมิชฉาชีพ ระดับที่สี่นิปเปสิกตาในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านแปลว่ามอบตนในทางผิดมอบตนในทางผิดก็หมายความว่าเรานี่สุดจริตแล้วรเราบริสุทธิ์แล้วเราทําถูกต้องแล้วแต่เรายังมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในบริษัทที่เขาทําชั่วเขาโกงภาษีเขามีเล่เหลี่ยมเขามีอะไรอยู่ก็ตามเราก็ยังรับเงินเดือนส่วนกลางของบริษัทส่วนกลางที่เขาอยู่มอบตนในทางผิด หรือแม้แต่อยู่ในสมมติว่านี่ผู้บริหารชั้นต้นนี่พานำโกงเลยนะนี่บริษัทนี้อ่าบริษัทไทยรักอ่าไทยรักเฉยๆนะขออภัย <c oughs> บริษัทไทยรักเนี่ยทำทำกิจการนี้ตั้งแต่หัวหน้ามาไม่บริสุทธิ์แต่เราเองบริสุทธิ์แล้วแต่เราอยู่ในกลุ่มนี้มีส่วนได้ส่วนเดืนเดือนได้ได้กับเขาอยู่เราก็ยังไม่บาเราก็ยังบาปยังเป็นมิจฉาชีพอยู่เหมือนกัน ถูกต้อ ง, อองยังไม่มิจฉ่าชีพอยู่เนี่ยนิเปสิกตามอบตนในทางผิดรเราบริสุทธ์ก็ตามแต่เรายังอยู่ในบริษัทนั้นยังมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่กับเขาในบริษัทนั้นเราก็เป็นบาปด้วยเราไม่ได้ทำตรง ต, รงตรงไม่ได้ ท, ทําทีเดียวแต่เราก็ทําร่วมอยู่ในนั้นรับส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในนั้นด้วยอย่างนี้เป็นอาชีพมิจฉาชีพระดับที่สส่วนระดับที่5้นี่โอ้โหไม่น่าเชื่อพระพุทธเจ้าจะสอนถึงมิชช่าชีพถึงขนาดนี้ลาเพนะลาพังนิชิกิงสนตา หมายความว่ายังทำงานใช้ลาบแลกลาบอยู่ทำงานยังต้องการสิ่งที่ตอบแทนอยู่ครับสรุปก็คือไม่ทำงานฟรีอยังเป็นมิจาชีพโอ้โหอัตมาเห็นแล้วนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าบูรพเจ้าจจลิกซึ่งปานชนีและคนมันจะทำได้หรือทางานฟรีจะอยู่ได้เลยในโลกนี้คุณว่าอยู่ได้ไหมอืมถ้าถ้าดูอย่างสันติอศกแล้วอยู่ได้ อ, <า>อยู่ได้นี่เห็นมา มีหลักฐานยืนยันแล้วชาวอโศกนี่ทํางานฟรีกันโอ้โหไม่ใช่เป็นจํานวนร้อยจํานวนพันมีตั้งมากตั้งพิสูจน์แล้วพิสูจน์ได้ทําได้ทํางานฟรีหลายคนทํางานมาเป็น10ปี20่สิบปีเป็นแต่เพียงว่าอาสันทอโศนี่มันยังไม่ยาวนานถึง40ปีมัน20ปีบางคน30ปีถึงมัามสิบกว่าปีแล้วเพราะอัตมาทํางานนี่มาทํางานศาสนานี่มาตั้งกลุ่มมาเนี่ยมันสาปีแล้วตั้งกลุ่มจริงๆในปสองพัร้อยสิบ มีกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไล่มาจนถึงวันนี้มันก็30สิบกว่าปีแล้วปีนี้4ี่เก้าครับเพราะงั้นการที่จะพ้นมิจฉาชีพในาศาสนาพระพุทธเจ้านี้จึงไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาฟังรรแล้วใช่ไหมครั บ, รบฟังก็มีระดับระดับงี้ตั้งแต่กุหนาะลัปปนาเนมิตกตาครับนิเปศิกตาลาเพณนะลาพังนิชิิงศรนาตาซึ่งทำงานฟรีรถ้าใครยังไม่ทางานฟรี ยังถือว่าเป็นมิจฉาชีพโอ้โหสุดยอดเลยแต่เอาเถอะมันไปนขั้นสูงสุดคใครจะทำจนกระทั่ง ต, ตัวเองบริสุทธิ์เป็นนิเปสิกต า, าได้แต่ก็ขออย่าไปมอบตนในทางผิดเลยแม้จะมีราบแรกราบอยู่บ้างก็ทําไปนะเช่นเราเองเราทํางานกับกลุ่มหมู่เขา้าเข้าไม่บริสุทธิ์รักับบริษัทนี้บริษัทเข้าไม่บริสุทธิ์เราก็เลยลาออกมามาทํางานส่วนตัว อย่างบริสุทธิ์ใจแม้จะใช้ราบแรกลาบบ้างก็ยังพอทํำนองครับดีมากเลยครับพ่อท่านโอ้โหผมฟังแล้วอยากจะให้ผู้นํามาฟังนะมานั่ฟังมันก็คงอาตมาได้เทศขนาดนี้ก็บุญแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ไม่มานั่งฟังเลยะถ้าฟังแล้วบ้านเมืองคงไม่ยุ่งเหยิงขนาดนี้คงไม่จําเป็นต้องมานั่งให้ท่านทั้งหลายมานั่งตากแดดฟังเอะาเถอะไม่เป็นไรเราเราตากแดดตากแดดตากแดดเอาบุญครับคืออย่างนี้ <Yes. S 2> ผมเองเนี่ยเมื่อสมัย <c oughs> ผมเรียนหนังสืออยู่ที่อเมริกาผมเรียนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยแคลมอนซึ่งดรสุรินทร์พิศวนก็จบปริญญาตรีจากที่นี่ผมจบเอกจากที่นี่ช่วงซัมเมอร์ผมไม่มีอะไรทำอ่าก็เขาจะหยุดกัน <c oughs> ผมก็จะเข้าห้องสมุดไปเอาหนังสืออ่อาหลายๆแบบรวมทั้งหนังสือของพระพุทธเจ้าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคำแปลเาราเร า, ราจะใช้ภาษาอาังกฤษจากาพระไตรปิฎก เออมาเป็นภาษาอังกฤษแปลตรงๆมาเลยนะฮะผมอ่านละเอียดมากเพราะอ่านแล้วเนี่ยนะผมจะเป็นคนค่อนข้างจะสมถะมากๆแล้ววันนี้ผมก็ยังสมถะอยู่ดีสมถะมากๆแล้วเมื่อฟังพ่อท่านเทศแล้วยิ่งทําให้ผมเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น<ด>ผมคิดว่าผมมีพื้นฐานอ่าดีานะฮะดีได้แต่ถ้า<ด>ผู้นําบางคนไม่มีพื้นฐานเนี่ย ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจนะฮะฟังยังไงก็ไม่ใช่เข้าใจอย่างอย่างที่พ่อท่านตอบคําถามต่างๆเหล่านี้นะฮะผมก็มาย้อนถามอีกว่าแล้วแล้วอย่างนี้มีอย่างไงก็คือยังไม่เข้าใจธรรมะผู้นําของเราไม่เข้าใจธรรมะนะหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เข้าใจธรรมะหรือศีลห้าแล้วเนี่ยผมว่าเราลําบากนะเราลําบากเหตุเพราะอะไร ก็ตามที่บริหารบ้านเมืองอยู่นี่ก็าตามเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธอยู่ในถิ่นสุวรรณภูมินี่มาตั้งสองพันปีแล้วนะเมืองไทยไม่ตั้งรวบรวมกันขึ้นมาเป็นประเทศไทยเป็นรัฐแห่งไทยสยามหรือประเทศไทยขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ย จริงๆแล้วประวัติศาสตร์เขาบอกว่าล่นมาจากแม่น้ํำยางสีเกียงอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาก็ล้ม ล, ม, ลมประวัติศาสตร์อันนี้กันไปพอสมควรแล้วว่ามันไม่ใช่คนไทยในอยู่ในถิ่นที่นี้มันนานแสนนานแล้วหลายพันปีแล้วแล้วก็มีรกรากอยู่ตรงนี้แหละาศาสนาพุทธเข้ามาจากมาจากอินเดียมาเข้ามาในสุวรรณภูมินี้มาตั้ง2องพกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้น ถือว่าเมืองไทยนี่มีพุทธมาตั้งแต่เริ่มแรกมันก็มีมาตั้งแต่พุทธมันเข้ามาในถิ่นนี้แดนนี้ส่วนสุวรรณภูมินี้ตั้งแต่บัตรนนทเพราะงั้นไทยนี่นับถือศาสนาพุทธก็เป็นรากเหง้ามาตั้งแต่จนบัตรนนท์จนถึงวันวันนี้แต่ทําไมศาสนาพุทธจึงไม่มีมรรคผลจึงไม่ทําให้คนนั้นน่ะแม้ศี่ห้าก็ยังไม่ได้ยังไม่ประพฤติกันและยังไม่สังวรระวังกันละเมิดกันเป็นว่าเล่นเลย อาชญากรรมทางการอาชยกรรมทางโทรศพยา์บาดเครียดแค้นข่าแกงกันทําไมมันมากจังเลยมันก็เป็นเพราะว่าการสอนสาศาสนาการรับผิดชอบผู้รับผิดชอบในาศาสนาขออะไรที่อาตมาต้องกล่าวเช่นนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาไปโทษนะเทราสมาคมร่วบไปโทษกลุ่มาศาสนาหลักของประเทศแต่กลุ่มาศาสนาหลักต้องรับผิดชอบ ว่าทำไมถึงสอนศาสนธรรมอยู่ในประเทศไทยร่ําร้องอยากให้ศาสนรับรองว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของประเทศไทยให้ตราลงไปในรัฐธรรมนูญแต่ทําไมไม่ดูเนื้อหาเนื้อแท้ในคําสอนในการประพฤติปฏิบัติแม้แต่ตนเองสอนอย่างไรถูกผิดอย่างไรทําไมไม่พยายามที่จะศึกษาค้นควาแล้วก็พยายามใช้สมรรถภาพในการสอนในการแนะนําในการทําให้คน มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมามีจากไม่มีศีลมามีศีลจากไม่มีธรรมมามีธรรมจนกระทั่งมีธรรมติดตัวไปไปบริหารประเทศชาติก็เป็นคนมีธรรมแต่เพราะคนที่ไปบริหารประเทศไม่มีธรรมขอภัยที่ต้องพูดกล่าวระลาบเระลวงไปถึงแม้แต่ในคณะรัฐมนตรีนี่จะมีผู้มีธรรมไม่คดไม่โกงไม่กินไม่โกงสักกี่คนกันอันนี้เป็นความผิดพลาดของทางศาสนาของประเทศอ่า เหตุหนึ่งก็เพราะว่าการเมืองนั้นได้ไล่ธรรมะออกจากการเมืองได้กันศาสนาหรือธรรมะออกจากการเมืองน่ก็เป็นความผิดพลาดมานานมามากแล้วจนเห็นผลขนาดนี้เนี่ยมันเห็นผลแล้วนี่มันเป็นผลที่น่าเจ็บปวดมากเลยเพราะไปกันศาสนาออกจากธรรมะอ่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานธรรมะไอ้ทงานการเมืองก็ ขออภัยเมื่อกี้พูดผิดกตันศาสนาออกจากธรรมะการกันศาสนาหรือธรรมะในออกจากการเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อนักการเมืองไม่คํานึงถึงศาสนาไม่คํานึงถึงธรรมะเลยศาสนาก็เป็นศาสนาเอามาใช้รู้เหมือนกันว่าคนนี้ถือว่าเราแสดงท่าหรือพูดเรื่องธรรมะรู้สึกโก็รู้สึกคนจะนับถือก็พูดไปเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองแต่ตัวเนื้อแท้แล้วตัวเองไม่ได้ปฏิบัติธรรมะไม่ได้มีศีลมีทำอะไรอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะงั้น ความผิดพลาดในเรื่องของความผิดพลาดในคำสอนก็ดีในการที่กันธรรมะออกจากาออกจากการเมืองก็ดีเป็นความผิดพลาดการเมืองหรือนักบริหารของประเทศนี่แหละเพราะฉะนั้นนักบริหารในประเทศนี้หนีจึงเป็นนักบริหารขออภัยอีกทีหนึ่ง ท, ท, ที่ต้องกล่าวจริงๆเป็นความรู้สึกจริงของขาตามาว่าเป็นนักบริหารที่ไม่มีศีลมีธรรมมันจึงเป็นอย่างนี้ oh. ฟังท่านเทศแล้วนะก็ระเหียดใจจะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเห็นด้วยกับพ่อท่านเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วไล่ก็ไม่ออกจะทำยังไงเนี่ยตายละไม่มีศีลไม่ีธรรมจริงๆหลายหลายคนหลายๆายคนไม่มีศีลไม่มีธรรมโดยเฉพาะนายกอย่างที่กล่าวที่คุณบนคุณละอาหรือคุณเหนื่อยนายเนี่ยนะ ไม่มีฮิริไม่มีโอตตะปะไม่มีเลยครับฮิริโอตตะปะเนี่ยคือความละอายต่อสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งาม ค, คนเรามีฮิริมีโอตตะปะอย่างที่อื่นเขาแม้แต่คุณยกย่องทางด้านอเมริกาแม้แต่เกาหลีนี่เขาก็เป็นตัวอย่างรัดเลยในยุคเดียวกันยุ่งช่วงเดียวกันเลยว่านายกรัฐมนตรีเขาแม้แต่แค่เขาผิดเท่านั้นนะเขาก็ละอายเขาก็ลาออกแล้วอะไรงี้เป็นต้น ซึ่งอันนี้แหละทำให้เห็นได้ว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีธรรมะกันริงยิ่งจริงๆเลยอาตมาก็ขอขออภัยอีกทีหนึ่งว่าอยากจะยกตัวอย่างอย่างชาวโซกเราเนี่ยผู้บริหารเช่นในหมู่บ้านเรามีผู้ใหญ่บ้านมีอบอตอมีผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านที่จะเป็นตัวจักที่เป็นคีแมนในการดูแล ช่วยเหลือเฟอร์ฟายรับผิดชอบอยู่ในหมู่บ้านไม่มีเงินเดือนเงินดาวก็นหรอกไม่มีเงินเดือนเงินดาวกันเอาเถอะในผู้ใหญ่บ้านก็เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งทางการอบตก็เป็้รับแต่งตั้งทางการแต่ขอบอกเลยว่าในหมู่บ้านอย่างบ้านราชธานีอโศกเนี่ยผู้ใหญ่บ้านรับเงินเดือนมาจากทางรัฐนะเดือนหนึ่งกี่พันไม่รู้ดูมันสามพบาทแต่ไม่ได้เอาเงินเลยนะเงินนี้ก็มาเข้ากองกลาง เงินเดือนอบตก็ตามเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านก็ตามที่เขารับมาทุกวันเนี่ยที่หมู่บ้านนั้นอ่ะก็เข้ากองกลางครับผู้ที่ทํางานอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่ผู้ช่วยกัรบริหารผู้ช่วยการทางานด้านนั้นด้านนี้ที่ถนัดด้านนั้นด้านนี้อะไรที่รับใช้สังคมหมู่บ้านอยู่เนี่ยครับทํางานฟรีไม่ได้มีเงินเดือนไม่เคยตั ang, ้งแล้วก็ทํางานไม่เคยแล้วก็กินอยู่หลับนอนอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละไป แล้วก็บริหารกันไปมีศีลมีธรรมในหมู่บ้านไม่มีอบายมุกในหมู่บ้านมีศีลต่ําชั้นต่ําขั้นต่ำที่สุกุศีลหน้าเพราะนั้นในหมู่บ้านไม่มีการฆ่าสัตว์จริงๆลักทรัพย์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะมีตํารวจเขาให้ไปอบรมกันเป็นตํารวจเป็นตํารวจอของหมู่บ้าน <c oughs> เขาเรียกตํารวจบ้านไปอบรมมาก็มาเป็นตํารวจแต่ว่ามันไม่มีอาชญากรรมอะไรให้ใ ห, ให้ทํางานอาชญากรรมทางกามอาชญากรรมทางโทรศัพรุนแรงต้อง ดันฟันแทงค่าแกงผิดผิดพ้พอมวิบากอะไรกันมันไม่มีตำรวจหมู่บ้านก็เลยมีหน้าที่ไล่ควาย <c oughs> อพอควายมันเข้าหมู่บ้านมากินผักกินพืชอะไรก็เลยบอก <c oughs> อตำรวจไปไหนมาช่วยไล่ควายออกหน่อยอะไรงี้เป็นต้น <c oughs> ก็ ก, ก็นี่พูดให้มันคขำๆนิดหน่อยแต่มันเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงในหมู่บ้านนั้นอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็พูดซ้ำมาหลายทีแล้วเรื่องนี้เล่าให้ฟังคือสังคมที่ทุกคนช่วยกันทํางานช่วยกันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็ ถึงแม้จะมีโรคโกรธลงอยู่บ้างตามฐานนะคือปฏิบัติธรรมพระพระเจ้าแล้วมันจะลดโลคโกรธลงจริงแล้วก็มีระบบมีธรรมวินัยหรือว่ามันมีเองมันเป็นกฎหลักของสังคมเป็นธรรมเนียมเป็นจารีตหรือเป็นวัฒนธรมรมอยู่ในสังคมนั้นในสังคมนั้นแหละก็อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอยู่กันอย่างเกื้อกูลใช้จ่าย อุปโภคบริโภคเครื่องกิน เ, เครื่องสอยเราเรียกว่าสาธารณโภคีคตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในส า, ารณนิยธรรมหกลาบที่ได้มาโดยทำเลวาลาธรรมิกาได้มาก็ามารวมในส่วนกลางแล้วก็กินก็ใช้ส่วนกลางนี่เรียกว่าสาธารณโภคีเราทําได้ทั้งเป็นคารวะสมัยพุทธเจ้าทําได้แต่เฉพาะกลุ่มสงฆ์เท่านั้นนะได้ไปบินตบานมาได้ก็เอามารวมกันอกองกลางแล้วก็แบ่งกันไปอันนี้ ไ, <ด><า>ไปอีกระดับหนึ่งแล้วคารวาะ สมัยพุทยาธไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นสมัยที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นสัตว์เป็นสังคมระบบทาตยังไม่รู้เรื่องสิทธิเลยเป็นสังคมระบบธาตสังคมระบบมันไม่รู้ไว้สิทธิในเรื่องวัตถุสิทธิในเรื่องของการแสดงออกสิทธิในเรื่องของความเป็นคนอะไรนี่ไม่ไม่ไม่รู้จักสิทธิสมัยโน้นมันสังคมทาตมันมันพูดไม่ได้ทำให้คารวะนี่เป็นอย่างนี้ไม่ได้ แต่ยุคนี้มันเข้าใจหมดแล้วไม่ใช่สังคมธาตไม่ใช่สังคมที่ไม่มีสิทธิมันรู้จักสิทธิเพราะฉะนั้นทุกคนมาเสียสละสิทธิของของคนได้อันนี้เราเป็นคนสร้างแท้ๆเป็นสิทธิของเราแต่เราเอาเข้ากองกลางเสียสละไปเอาไปรวมก็กินใช้แบ่งกินแบ่งใช้เท่านั้นแหละที่เหลือก็เอาเถอะกองกลางจะจัดสรรจ้าหน้าที่ที่จะแจกแบ่งจะจําหน่ายแจกจ่ายอะไรไปยังไงจะเอาไปขายราคาถูกหรือจะไปแจกฟรีนงก็แบ่งหน้าที่กันะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นระบบสังคมที่ อั่อตมาว่าเป็นสังคมสาสรหรือรัฐศาสตร์ที่น่าศึกษาที่สน่าศึกษามากไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาคือมีการยกระดับของของสังคมของสังคมขึ้นไปมีความเป็นอยู่ดำเนินชีวิตมากกว่าสมัยพระพุทธเจ้าเสียด้วยซ้าไปถ้าจะว่าอย่างนั้นปรเดี๋ยวมันจะบาปมาเราไปมากแต่จริงๆมันมากมันมีลักษณะที่ชัดเด่นโดยที่เรียกว่าสังคมของคนเนี่ย เดประกอบไปด้วยประชากรของกลุ่ม ส, สังคมนี้เนี่ยอยู่กันอย่างมีศีลมีธรรมครับดีครับผมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ที่เราทําตรงนี้ได้เป็นเป็นเรื่องที่ไม่บาปสังคมต้องพัฒนาขึ้นไปยกระดับของสังคมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็เป็นการยกระดับนะฮะธรรมะขึ้นไปอีกให้ให้มันแพร่กระจายไปกว้างขวางยิง่งขึ้นแตมะ อาตมาเอามาพูดเดี๋ยวขออภัยสัอาตมาเอามาพูดเอามาบรรยายเรื่องนี้ยกตัวอย่างอันนี้นี่มีพวกเราหลายผู้หลายคนที่ทำงานอยู่ขนาด น, นี้อาตมาเห็นใจนะที่ทำงานรนร ง, รงหรือว่าต่อต้านกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้พัดปรักดันให้สังคมที่มีมี ปัญหาก็ข จ, จัดปัญหานั้นไปแล้วควจะดําเนินขึ้นไปสู่จุดสูงอันนี้มันเป็นอุดมการณ์หรืออุดมคติที่สูงเกินไปที่เขาเองก็าก็เห็นว่าไอ้นี่มันยูโทเปียเกินไปเขาว่างังนนา ร, รับไม่ได้เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไนรแต่ว่าเราเองเราเป็นได้แล้วก็ขอทวงในด้านนี้ดีมากเขาเป็นตัวอย่างมีประโยชน์นครับเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์แล้วก็อยากจะให้มัน แรกขยายไปมากๆนะฮะสังคมก็จะได้ไม่ยุ่งเหยิงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโจรผู้ร้ายก็ไม่มีอย่างอย่างน้อยในสังคมอโศกสันติ<ช>อโศกนี่ก็ไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายไมคือ <ใน S 2> ตอนนี้<ก>ชาวโศกเราก็เป็นหมู่บ้านจริงๆที่เป็นหมู่บ้านจดทะเบียนเลยทำมหาดไทยรับเทะเบียนเลยนี่เป็นหมู่บ้านนี่ที่มีอบอตอมีผู้ใหญ่บ้านเลยจริงๆนี่มีอยู่แค่2หมู่บ้านตอนเนี้ย ส่วนชุมชนที่มีชุมชนสมบูรณ์แบบเหมือนกันกับหมู่บ้านสอหมู่บ้านนี่คือราชธานีอโศกกับศราีาสะโศกเนี่ยก็มีอย่างสันติอโศกอย่างปฐมมโศกอย่างสาลีอโศกอะไร<อ>ต่างๆพวกนี้แล้วก็มีบ้านวัดโรงเรียนอะไรในครบวงจรขอ ง, อของสังคมอยู่กันก็เยอะเป็น ส, สิบสิบสังคมเหมือนกันเป็นสิบสบชุมชนเหมือนกัน แต่ว่าก็ยังไม่ได้รับยกเป็นหมู่บ้านไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกถึงไม่ยกหรือไม่ยกเราก็มีพฤติกรรมของสังคมคือประชากรของชุมชนเนี่ยเข้าใจและพอใจที่จะดําเนินชีวิตอยู่อย่างนั้นอย่างดีแล้วเขาก็อยู่ของเขาแล้วก็รสร้างตัวของเขาไปอยู่กับสังคมไปมีความสุขมีความสงบระงับไม่โลภโมโทสันเป็นสังคมที่รู้จักพอใช้พอ ถ้าจะกล่าวว่าเรานี่ยดำเนินรอยตามพระยุคลรบาท์ของในหลวงที่บอกว่าใช้เศรษฐกิจพอเพียงเราคิดว่าเราทำมันนี้มันเข้าเข้าเข้าอยู่ในข่ายที่ในหลวงมีพระประสงค์อาจมาว่าว่าอย่างนั้นนะแต่เราก็ไม่บังอาจอะไรที่จะไปอวดตัวอวดตนอะไรเกินไปหรอกแต่ว่าเราทําอย่างนี้ได้ถ้าสมมุติว่าเอาล่ะตามที่คุณองประเมินดูว่าถ้าชุมชนแบบนี้ล่ะมีพฤติกรรมของสังคมแบบนี้อ มีการเป็นอยู่มีวัฒนธรรมมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างเนี้ยในประเทศไทยถ้ามีหมู่บ้านอย่างนี้อีกสักสองหมืนหมู่บ้านจะเป็นยังไงบ้านเมืองคงจะน่าอยู่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากนะฮะอันผม ข, ขอตอบได้เลยเพราะอะไรครับผมผมรู้จักชาวอโศกมานานครับ เ, เป็นนับนับสิบปีแล้วก็มีเพื่อนสนิทหลายคนนะฮะแล้วผมก็จะสังเกตผมชอบสังเกตคนท่าผมดู หน้าของนายกคนปัจจุบันใบหน้านี่จะเคร่งเครียดนะฮะแล้วผมมาดูหน้าของเนี่ยพี่น้องชาวอโศกข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ทาหน้าทาตาไม่ได้ทาลิซติกนะฮะหน้าตาเขาไม่ได้ผัดแป้งไม่เคร่งเครียดฮะเป็นหน้าตาที่สงบอันนี้จริงๆนะมันดูออกฮะมันมันจะโชว์ในใบหน้านี่แหละคนเราจะดีไม่ดีจะยังไงหรือไม่ไม่ยังไงมันมันจะโชว์ที่ตรงใบหน้า แล้วเนี่ย ม, มันต่างกันมันต่างกันกับคนส่วนใหญ่เพราะผมสังเกตมามากะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีหมู่บ้านอย่างนี้อีกสักสองสามืหมู่บ้านทั่วประเทศนะฮ ะ, ะบ้านเมืองคงจะน่าอยู่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ก็จะมีคนที่มีจิตใจสงบนะฮะไม่โลภมากจนเกินไปอีก นับแสนนับล้านคนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามมีคำถามสำหรับพ่ อ, พอท่านนี่หมดเวลาแล้วนะอีกหมดสามนาทีาคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเอาสันส้นๆอยากถามพ่อท่านว่าในเมื่อคุณทักษิณขายชาติโกงชาติมีประชาชนมาไล่แล้วยังไม่ยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนแบบนี้แล้วเมื่อตายไปแล้วจะมีโทษอย่างไรในนรกขุมไหน อ, อย่างไรบ้าง แม่ถามถึงกรรมวิบากจะไปตกนรกคุมไหนเดี๋ยวก่อนจะตอบว่าจะไปตกนรกคุมไหนในอัตมาขออัตมานึกว่าคําถามนี้จะถามว่าว่าไล่อย่างนี้อย่างนี้เร า, ย, ายังไม่ออกเราใจไล่อย่างไงหรือว่าจะถามอย่างนั้นอัตมาก็จะได้ตอบว่าอัตมาไม่รู้ <c oughs> อัตมาตอบไม่ได้ว่าอย่างไงแต่อัตมารู้อยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทําดังกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทําอยู่ขณะนี้เนี่ยยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไป แล้วก็ไขความจริงกันออกมาให้มากๆ ห, หมดๆที่ทํากันอยู่ตอนนี้ทุกวันจะมีคนมาไขความจริงออกมาเรื่อยท่านผู<อ>ูรู้ท่านฟูที่อยู่ในมีเหมือนกับเอาใบเสร็จมาเปิดเผยตลอดเวลาเลยตอนเนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้แหละทาอันนี้แหละไปไม่เป็นไรยาวก็ไม่เป็นไรเย็นไปเรื่อยๆเลยยาวก็ยาวไม่มีปัญหาอันนี้จะสมบูรณ์อันทีนี้มาตอบว่าจะตกนรกคุ้มไหนก็ขออาภัยที่อาตมาตอบไม่ได้หรอกเป็นเวทป็นอาจารยใจ แต่ตอบได้โดยการประเมินเอาภูมิธรรมเขาอาอัตมาประเมินเนี่ยว่าของอีกหลายหมื่นแสนชาติที่ท่านจะต้องไปใช้หนี้กรรมอยู่ในนรกขุมลึกๆทีเดียวเพราะท่านเอามากเอามาใช้เล่ใช้เหลี่ยมและดึงดันดื้อด้านแม้แต่การดื้อด้านนี่ก็เป็นบาปชนิดหนึ่งเป็นหนี้ชนิดหนึ่งเหมือนกันท่านธรรมพระท่านเรียกว่าธรรมพระเพราะฉะนั้น ในบาปหลายๆอย่างที่ท่านทำประเมินแล้วตามจริงอาตมาไม่ได้รังเกียจและไม่ได้ไปชิงชังท่านนะแต่ว่าอาตมาพูดด้วยสัจจะที่พอมีพอเห็นก็อย่างที่บอกแล้วว่าอาตมาปรารถนาดีนะจริงๆแล้วอาตมามีมีซิมเปรตี้นะ <c oughs> <c oughs> มีความรู้สึก <c oughs> เห็นใจท่านมากอยู่ <c oughs> กันจริงๆเลยว่าแม่ท่านน่าจะเลิกเถิดเลิกเถิดนะ เพราะว่ามันมันพอแล้วมันบาปมากแล้วมันอยา่าไปเพิ่มมากกว่านี้อีกเลยต้องอเลิกหยุดเถอะพอทีขนาดนี้ก็นรกไม่รู้จากขนาดไหนก็ตอบได้แค่นี้ก็แล้วกันอะเอาแล้วอาตมาว่าหมดเวลาแล้วนะค อ, อตาตมาขอตัดเวลานี้ทันทีก็ขอทุกๆคนนะที่ได้ฟังทำวันนี้ก็มีอะไรที่มีผู้มาซักแซก ในเรื่องที่ควรจะรู้กันถ้าอาตมาเทศอาตมาลึกไปเรื่อยแล้วบางคนไปไม่ตามไม่ทันไปลึกไปมั น, มนไม่ไหวแต่มีผู้สักผู้ถามผู้ตอบวันนี้ก็จะได้รับความรู้พอสมควรเอาละอาตมาเดี๋ยวจะเลยเวลาองกันทางการทางนี้ไปสิบโมงแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติประพฤติกรรมเป็นของของตนกรรมเท่านั้นเป็นทรัพย์ของเราอย่าไปทากรรมชั่วเลยขอให้ทาแต่กรรมดีทุกๆคนเทิน